ตอนรับทุกเบาทุกรุป่ปในส่วนพระสมฆ์ขอเจริญพรท่านนายชิงกฤษณาท่านด็ออเตร์อรชอบและการนิสิตไปเลยค่ะทุกท่านวันนี้มาเยือนถึงที่ไม่ใช่ว่าเต่นตัวแต่ว่าคลาด ก, กันไปคลาด ก, กันมารุ่นรุ่นที่29ก็ไม่ได้เรียนเอาม า, มารวมกันสามสิบมใช่ค่ะเออ ๆๆต่อไปก็กเอานในรุ 34, <ๆ S 1> ่นสามิบสี่สามสิบห้ารวบยอดอีกทีไหมได้ค่อยๆว่ากันไปทีนี้พอมาที่นี้ก็มาตกลงกันว่าจะพูดเรื่องอะไรเพราะว่าพวกเราไม่เรียนวิชาพุทธศาสนาแต่ทีนี้เนื่องจากว่าอย่างที่พิธีกนแนะนำเนี่ยคือได้รับ ก, การให้ เป็นใ ห, ให้เป็นสัตว์ประจารในด้านปรัชญาก็น่าจะพูดในเรื่องคุณธรรปรัช ญ, ญาแล้วก็มีมีแถมคำว่าสัมปนาเข้าไปด้วยแต่เวลาโฆษณาว่าปาจากาักถาตกลง้าปาจากถาคือสัมปนาไม่เหมือนกันนะนเราสัมพนาเหรออเป็นสัมพนาเป็นวิชาสัมปนา สัมมนาเขาทำไงไงโดยปกติสัมมนาเนี่ยจะมีวิทยากรเนี่ยนำเสนอนำเสนอหัวข้อเรื่องที่เป็นประเด็นไหนประเด็นหนึ่งแล้วก็ให้ผู้เข้าร่วมสัมมานาช่วยกันหาคำตอบช่วยกันแสดงความคิดเห็น แต่เนื่องจากว่าในวันนี้เนี่ยถึงให้แสดงความคิดเห็นก็สถานที่ไม่อำนวยมันไม่มีไมโครโฟนไม่มีอะไรเพราะฉะนั้นคนที่ไม่มีไมโครโฟนเนี่ยผูกขาดเพราะที่มันมันไม่ใช่ที่สัมปนานนะที่สัมปนานมัยก็มีเป็นลักษณะที่เปิดโอกาสใ ห, ให้ให้ได้พูดกันทั่ว แต่ก็จะใช้วิธีผสมเึ้นสำมนาเกิดเลคเชอร์ก็คือมันจะมีประเด็นที่พูดไปก่อนแล้วก็ตั้งไปถามจะตอบหรือไม่ตอบก็ได้แต่ให้รู้ว่าถ้าเป็นสำนนาเนี่ยจะร่วมกันตอบแต่เนื่องจากว่ากว่าจะได้มาพบกันเนี่ยมัน เ, เนิดหนาหน่ย ม, มันจะมีเรื่องอยากจะพูดเยอะก็จะมีประเด็นเป็น พ้อหัวข้อไปพอจบแต่แล้วพ่อเนี่ยก็จะมีช่วงให้ตั้งคาถามให้พวกเราช่วยกันระดมผ่านคิดเห็นสัมปทาแล้วก็พอถ้าไม่มีใครพูดก็จะว่าไปเรื่อยๆแล้วก็ตั้งคําถามแล้วก็ไปต่อนะตอย่างนี้นะนะก็คือเึ่งสัมปนาเก่งป่าสังารทีนี้ชื่อพุทธประยานกวางนะแล้วถ้าหากว่าเราจะตั้งเป็นประเด็นคำถาม มันจะต้องเอามาสัมพันธ์กับเรื่องที่ใกล้ตัวเราใกล้ตัวเราก็คือเรื่องวิทยาศาสตร์ทำไมเรียกว่าวิทยาศาสตร์ใกล้ตัวฟรานซิสเบคอนเขาแบ่งยุคในโลกนี้เนี่ยเป็นสามยุคยุคแรกสุดคือยุคศาสนายุคที่สองคือยุคปรัชญา และยุคที่สามคือยุควิทยาศาสตร์ซึ่งก็เรามาอยู่ในยุควิทยาศาสตร์ถ้าโลกในยุคศาสนานี่หมายถึงเวลาเราสงสัยว่าอะไรจริงอะไรไม่จริง mm. เกี่ยวกับความจริง mm. เราจะไปถามใครให้ตัดสินความจริงและถ้าคนนี้บอกว่าใช่คือยุติความจริง ที่มีเราเรียกว่า authority ผู้ชี้ว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรจริงอะไรไม่จริงเนี่ยในสมัยพระเจ้าเนี่ยผู้นำศาสนาเป็นผู้ชี้เมื่อ 2,500 ปีมาเนี่ยผู้นำศาสนาศาสนาเป็นผู้ชี้ว่าอะไรจริงไม่จริงคนจะจบแล้วก็เชื่อพอยุคสักพันปีที่ผ่านมาเนี่ยหรือห้าร้อย ปีที่ผ่านมามันเป็นยุคนักปรัชญาโดยเฉพาะในตะวันตกถ้าในอินเดียก็เป็นยุคอัตกะถาจาร์ก็คือยุคพระนาถารชนยุคพระภุษโคสาจารย์อันนี้คือยุคนักปรัชญาไม่ใช่ยุคศาสนาทำไมจึงเรียกพระอัตกะถาจาร์เป็นนักปรัชญาไอ้ น, นี่ก็เป็นประเด็นที่เราจะต้องตอบนะ สัมปนาการก็ได้แต่ว่าที่จรัเนี่ยจะพูดให้ฟังเขาคาดว่ายัางมีประเด็นหลักอยู่ยุคอัตตะขาจาาเป็นยุคแบบยาในอินเดียคำผิดพระเวทเป็นยุคาศาสนาพระเวทจะบอกว่าอะไรถูกอะไรผิดในยุคอุปนิษัตคือยุยคอัตกถ า, าอุปนิสัตคือยุคอัตกถาพระกัมม์ทีตาอะไรต่างเป็นยุคที่ เรียกว่าปรัชญาพระธรรมปรัชญาฮินดูปรัชญาเวทนันตะสังจาราจานอะไรเงี้ยมันเป็นยุคนะั้นปรัชญาเพราะฉะนั้นเวลาเราเรียนปรัชญาอินเดียเราเรียนยุคไหนได้เรียนว่า ป, ปรัชญาอินเดียเนี่ยเขาจะเรียนในยุคยุคที่เรียกกันว่ายุคท่านสรรจาราจานย้อนลงไปนาคารชุนของเราเนี่ยเขาจะเรียนอย่างนี้พุทธปรัชญาเขาจะเรียนในช่วงไหน ปัจยเดียรานเดี ย, น ย, ยนเนี่ยปัจจมหายานก็จะเริ่มประมาณพศสอ0ห้าร้อยหกร้อยตั้งแต่เอาเป็นว่าถ้ า, ถาพศสามร้อยก็จะมียุคสรวาสติวาทินสัพพติกะวาทีอันนี้คือยุคอันธพางนนเลยเอาเป็นว่าพอหมดยุคศาสดาเนี่ยก็จะมายุคปัจจาอินเดีย ถ้าไปในตะวันตกก็เป็นปรัชญาของพลาโตไล่มาจนกระทั่งคานเฮเกลอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นยุคยุคนี้จะเป็นยุคที่นักปรัชญาเนี่ยให้คำตอบอะไรถูกอะไรผิดพอประมาณพอสี่ร้อยปีสามร้อยสี่ร้อยปีที่ผ่านมามันเข้ายุควิทยาศาสตร์นักปรัชญาถอยไป คนที่จะชี้ว่าอะไรถูกอะไรผิดในโลกนี้เนี่ยจริงไม่จริงเนี่ยคือนักวิทยาศาสตร์เพราะอะไรเพราะเมื่อสงสัยกันในที่สุดตั้งคำถา ม, ถามตั้งคำถามว่าอะไรจริงไม่จริงเนี่ยคนส่วนใหญ่ในโลกนี้ฝังใจทำให้ยกหมายเลงว่าคนทั่วโลกนีกเขาฝังใร และถ้าเกิดศาสนากับวิทยาศาสตร์ขัดแย้งกันเนี่ยเขาข้ามข่าร Authority น้ำหนักมันมอยู่ที่ใครถ้าเราบอกว่าเห็นเทวดาหอบอยู่ไปไปบนที่เจดีย์วัดไปรูเนี่ยเราพูดอย่างนี้กับอีกคนหนึ่งที่บอกว่าเห็น UFO นะจานบิน วินผ่านเจดีย์ติประโยคไหนหน่าสนใจเห็นไหมทำไมไม่มาตามดูว่าเทวดาบอกผ่านไปไหน่ฟังเฉยเลยนี่คือที่คนของอะไรวิทยาศาสตร์เพราะฉะนั้นเราอยู่ในยุควิทยศ า, าศาสตร์ศาสนาพุทธศาสน า, าก็ต้องปะทะสังสรรค์แลกเปลี่ยนกับวิทยาศาสตร์ มันเห็นจะคุยกับคนยุคใหม่รู้เรื่องและการที่คุยจะรู้เรื่องไม่รู้เรื่องเนี่ยมันเป็นประเด็นอย่างไรในโลกปัจจุบันเขาเอาวิทยาศาสตร์มาสนับสนุนพ้อพิสนาอย่างไรและข้อพิสนาเนี่ย ไปกันได้กับวิทยาศาสตร์หรือไม่เนี่ยมันเป็นประเด็นที่ต่างประเทศนกําลังศึกษากันอยู่คําว่าต่างประเทศคือในตะวันตกในตะวันตกนะเราอยู่ที่นี่เราก็ต้องต้องตามเห้ทันเราจะสอนภูษณาไปยังโลกตะวันตกเราก็ต้องรู้เราจะพูดกับเด็กรุ่นใหม่เราก็ต้องรู้เรื่องเหล่านี้เอ่า บางทีพวกเราที่นั่งอยู่นี่แคิดแบบใต้อิทธิพลของวิทยาศาสตร์้วยจะสอนคนอย่างพวกเรามาันก็จะต้องมีเรื่องวิทยาศาสตร์เข้ามาแต่นี้วิทยาศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาอย่างไรและมันเป็นปรัชญายตรงไห น, นเป็นคำถามใหญ่และถ้าไม่ถ้าฟังเฉยไม่รู้เรื่องหรอกมันจึงต้องสัมปทาน สัมมน า, าก็คือในขณะที่ฟังเราสงสัยก็ต้องถามถามแล้วคําตอบไม่พอใจก็ลองฟังสนอื่นเขาตอบช่วยกันตอบช่วยกันคิดเป็นการระดมความคิดสัมมน า, าแปลว่าสมหัวกันอะสัมนาแปลว่าใจอะเออเซนีนาเบรสตอมอะระดมความคิดและทีนี้อย่าไป น, นึกว่าเรื่องนี้มันยากเรื่องเลยแต่เรามาทำเขาเรียกว่าหาคําตอบในหลายแงย่หลายมุมแล้วเราจะเข้าใจ นี่คือประโยชน์ของการสัมมนานเพราะฉะนั้นเรื่องสัมมนาต้องเป็นเรื่องยากๆเข้าไว้เรียนไม่รู้เรื่องยิ่ง <c> ด <oughs> ีอ่ไม่ได้จะสัมมนาทำไมก็ามานั้งรับฟังตื่นๆสิฟังเลคเชอร์แล้วก็จดใจคะแนนทารีพอร์ตรายงนะแต่สัมมนานี่มันจะต้องหมุนคนนี้ตอบมุมนี้คนนั้นตอบคนนี้เดี๋ยวจะชี้ให้ดูว่ามันตอบได้กี่ประเด็นแล้วถ้ามีเวลาเรามาช่วยกันแสดงความคิดเห็นเรื่องแรกสุด เราเรียนวิชาพระพุทธศาสนาอะไรค <ih>, ah, ือความแตกต่างระหว่างพุทธธรรมกับพุทธปรัญญาเนี่ยเรียนเรียนสัมนาพุทธปริญญาเนี่ยรู้ไหมถ้าเกิดเขาถามว่าหยิ่นหนังสือขึ้นมาสักเล่มหนึ่งเขาเขียนว่าพุทธธรรมยิ่นหนังสือมาสักเล่มหนึ่งพุทธปริญญา แต่เนื้อหามันก็เหมือนกันมรรคแปดเหมือนกันอริยสัจ ส, สีเหมือนกันอะไรเหมือนกันและมันเป็นพุทธปริญญา ต, ตนไหนเคยถามตัวเองบ้างไหมแล้วได้คำตอบอยังถ้าได้คำตอบแล้วก็จะได้ไม่ต้องพูดจะได้ผ่านไปเออประหยัดเวลาไงแล้วเรียนพุทธธรรมกับเรียนพุทธปรัญญาเนี่ยวิธีเรียนต่างกันยังไงเลย และต่อไปถ้าเราจะเป็นอาจารย์สอ น, นเด็กมันถามอันนี้ก็เรียนมาตั้งแต่ชั้นปถมแล้วอริยสัจสี่มักแปดบางเรียนปุญญาโพไม่ยังเจออยู่นั่นแหละแล้วมันเป็นพุทธปัญญาตรงไห น, นเออได้คำตอบเนี่ยหรือยังไม่เคยถามเลยเ อ, อ่าคนที่เรียนปรินญาต้องถามถ้าเรียนพุทธธรรมอาจจะไม่ต้องถามเพราะ ปรัช ญ, ญาสอนให้ตั้งคำถามและหาคำตอบพุทธธรรมนะพุทธธรรมเนี่ยเรียนพุทธวจะนะเรียนพระไตรปิฎกเป็นหลักและตั้งคำถามเขาเรียกว่า internal question มานั่งฟังไม่มีจดเลยเหรอ ไม่เตรียมอะไรมาเลยเป็นนิสิตประเภทไห น, <ก>นแล้วเดี๋ยวย้อนมาจะตอบได้ไงว่าไปเร็นนี่กำลังต่า ง, าง internal question กับ external question เราไม่ต้องขอ ง, ของฝังรู้เรื่องในภาษาอังกฤษแค่นี้นะคือถามคำถามนลรอย่างนะอันนี้คือคือจุดที่ทำให้พุทธธรรมต่างกับพุทธปรัญญาวันนี้ Internal questions หมายถึงคำถามภายในกรอของวิชานั้นมันมีกรอของมันมี framework ถ้าเราถามคำถามที่อยู่ภายในกรอของวิชานั้นเราเรียกว่า internal questions ถ้าเราถามคำถามนอกกรอเป็น external questions ทีนี้ วิชาพุทธสารพุทธรรมเนี่ยใช้คำถามในกรอบ internal q u e t i o n s ส่วนพุทธปรยาใช้คำถามนอกกรอบเออและวิธีตอบก็ต้องตอบแบบในกรอบกับนอกกรอบตอบไปเหมือนกันนะไอตัวเนี้ยคือประเด็นสำคัญ ที่ว่าคำถามในกรอบยกตัวอย่างเช่นเวลาที่เราพูดถึงอริยสัจสี่ทุกคืออะไรเราก็จะนั้นตอบว่าทุกชาติปิทุกขาชาลาปิทุกขาบรารนันปิทุกขาตามหลักที่พระเจ้าสอนใน ประผมมะเทศนาทำรรจักกับโอตนสุมันมีกรอบให้ตอบอยู่แล้วทุ์สันขิตเตนะปันจุปานานขะันธาทุกถ า, กาโดยย่นย่ออุปาทานขันห้าเป็นทุบเขาเรียกว่าตอบมีหลกักตอบมีแม่ใครจะมาเถียงล่ะอยู่ในธรรมจัก เขาเรียกว่าอันนี้คือต่อในกรอบในแบ่งคำถามนอกกรอบทำไมอริยสัจสี่จึงเอาผลไว้ก่อนเหตุเอาผลไว้ก่อนเหตุ ย, ยังไงทุกเป็นหมนสมูทไทยเป็นเหตุ นิโรธเป็นผมมักเป็นเหตุทำไมไม่เอาเหตุแล้วก็ไปผลเหตุ he, แล้วก็ผลถ้าเราตอบในกรอบก็ต้องไปหาว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรไว้ตรงไหนไม่มีอยู่ๆเรียกถกสมุทัยนิโรธม า, ม, ามันจะต้องหาคำถามนอกกรอบคือนอกจากพุทธพจน์แหะหรือเก่งหรือด่าว่าพระพุทธเจ้าประสงค์อะไร เห็นไหมและไอตอนที่ดาวนี่แหละเถระวาดาวยาหนึ่งมหายานดาวยาย น, นึ่งมันเลยตายเป็นปรัชญาเทระวาปรัชญามหายาณเขาไม่รู้ใครดาวดูคําว่าดาวต้องมีเหตุผลประกอบมันถึงจะเป็นปรัชญานะไม่ใช่ตอบมั่วต้องมีเหตุผลหลักฐานเอายกตัวอย่างอีกเรื่องหนึ่งคนเราตายแล้วไปไหน มีชาติหน้าหรือไม่ตอบในตอบก็คือเราก็อ่านนะชีวิตว ม, มีอ่นานคุณรรมได้ว่าเมื่อร่างกายแตกทำลายไปเนี่ยก็ไปสุคติโลกสวรรค์ไปทุขติจิตเตสังเิติเถทุทขติปฏิกันตา จิตเตอออสังกเกติเทศสุคติปาริภายกตัวอย่างหน่ต้นถ้าจิตเศอ้าหมองกอ็ไปเกิดสุคติไปเกิดทุคติถ้าจิตทลองใสไปเกิดทุกคติมันนี่แหละถามอีกอะไรไปเกิดมีชาติหน้แต่ถามว่าเวลาไปเกิดชาติหน้าอะไรไปเกิด ในขันแทรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยตัวขันไหนไปเกิดอะวิญญาณไปเกิดแล้ววิญญาณมันเกิดดับตลอดแล้วมันไปเกิดใหม่ได้ยังไงในในในเวทนาฐานเนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยมันเป็นขณิกะเกิดดับทุกขณะและมันไปเกิดใหม่ได้ยังไง ในกรอบตอบไม่ได้ในในพระไตรปิฎกตอบไม่ได้ในพระสูตรตอบไม่ได้เพราะมันมีแค่เรียนยถานในอภิธรรมจึงมีเรื่องผวางพระจิตเข้ามาเพิ่มเข้ามาเลยเพราะมันเป็นทางหาันอกกรอบ ถามว่าถามานนอกกันคือตอนพระทเจ้าอยู่ก็ไม่มีใครถา ม, ไ, มไปครอบกะโหลกกับวังคีสั์คนที่ไปเกิดนี่เกนี่นี่แล้วทำไมคนนี้ไม่รู้เน่ยชายท่ายาพีจจะถามว่าเพราะอะไรพระเจ้าบอกมาบวชและปฏิบัติเลยไม่ะไม่มีดิสคั s ชั่นเลยไม่มีสมณะเลยเพราะปฏิบัติแล้วรู้แล้วก็จบเลยมันเลยไม่มีปัญญาในช่วงนี้ เป็นพุทธธรรมแต่พอพระพุทธเจ้าสิ้นแล้วในปายาสีราชญญสุพระเจ้าปายาสีถามอะไรไปเกิดตอนนั้นพระพุทธเจ้าสิ้นไปแล้ ว, ลวนี่ผ่านแล้วถ้ากุมารละเจ้าสปากก็ต้องมาหาเหตุ น, นะผลอะไรไปเกิดไหมเป็นยังไงหนื่อยในพระไตรปกอะกุมารปายาสีราชญญสุเกิดคนไม่เชื่อฮะ ว, ว่าอะไรไปเกิด ตายแล้วศูนย์้ะมั่งพระเจ้าปายาสีว่าอุษาทำสัญญากนันนะท่านเองตายไปไหนรีบ ม, มาบอกเรานะมันเงียบไปหมดเลยถ้าไม่เป็นอย่างนั้นและตอนพระเจ้าอยู่ทัไมรู้จักจไปถามมาถามรุ่นหละ่ะ่ะเพราะฉะนั้นในมิลินท้าปัญหาจนมีเรื่องผวางขึ้นจิตเข้ามามีวิถีจิต มีผวังแทนจิตตัวผวังนันกนต่อคบก่อชาติตัวผวังนั่นแหละถ้าไปเกิดใหม่เรียกวปฏิสนธิจิตถ้าตายเรียกว่าจุติจิตถามว่าปฏิสนธิจิตจุดจิตอยู่ตรงไหนในประจุไหนไม่มีเห็นไหมเพราะถามเกินกว่าที่จะพบในก็ะไตรปิฎกถามนอกกรอบ มหาญาณจึนบอกว่าจิตที่จะไปเกิดใหม่คืออารยะวิญญาเก่อคบกาะชาติอารยะวิญญาตเลย น, นี้เป็นเป็นผีชาตเป็นอะไรมงต่าและอาระยะวิญญาณนี้ต่างจากอาตมันในศาสนาพราหมณ์ยางไรโอ้ทีนี้เราฝุ่นตลกเลยเทียนกันระหว่างพุทธปัชญากับปรัชญาฮินดูปรัชญาพราหมณ์ ประญญามเกิดมันเกิดเพราะอะไรเพราะมีการตั้งคำถามนอกกรอบถ้าในกรอบเรามีอยู่แล้วการตอบแบบในกรอบเป็นพุทธธรรมการตอบนอกกรอบด้วยการวิเคราะห์เชื่อมโยงเป็นพุทธประญญายฉะนั้นการศึกษา ในกรอบเราเรียกว่า textual studies ศึกษาพุนศานเนี่ยเป็น textual s t u d s หมายถึงถ้าเราจะตอบกรณีต้องถามว่าเรื่องนี้พระพุทธเจ้าตรัสไว้ตรงไหนเรื่องนี้พระพุทธโกษ า, าจารไว้อย่างไรอัตถกาถาดีตางอนุดีตาไงไวอย่างไรมันจะต้องมีแบบเป็นแผ่นอยู่ในกรอบถ้าบาังเอิญว่าเราอยู่ในกรอบเหล่านี้เนี่ยมันเป็นการศึกษา text ตารา เพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีความเชื่อาญในภาษาบาลีภาษาสันสกฤตภาษาจีนเพราะมิฉะนั้นเราจะไม่รู้ในกรอบของเขาที่เป็นตําราในคืออะไรกลายไปเราตอบเองมันก็ไม่ใช่เรียนพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นพุทธศาสนาจะทิ้งเท็กซ์ตําราถ้าใจผิดหมดไม่ได้และภาษาเราก็ต้องมีความเชี่ยวอใจถึงไม่เชื่อาญเราก็ต้องมีควารจำนาในเรื่องของภาษาที่เขาแปล ต่างๆแต่ถ้าไปเรียนแบบนอกกรอบเราเรียกว่า analytical studies เป็นเรียนเชิงวิเคราะห์ตั้งคำถามในกรอบนอกกรอบเรียนแบบปรัชญาคือถามในครอบจักรวาลและหาคำตอบแม้จะไม่มีอยู่ในเท็กซ์แต่ต้องหาคำตอบได้ ฉะนั้นที่เราเรียนมาเนี่ยแม้จะเป็นเรื่องเดียวกันอย่างเช่นอริยสัจสี่ทุกสมุทัยในรถมันนอกจากจะถามในกรอบอย่างที่ว่ามาแล้วเนี่ยนอกกรอบเช่นอะไรฝรั่งเขาจะถามถ้าพระพุทธศาสนาเริ่มด้วยคำว่าทุกแสดงว่าพุธศาสนาบอโงโลกในแง่ร้ายใช่หรือไม่เป็นเพลสิมิสติกหรือเปล่า ถว่าในในพระใจเปโตรคำถามมีาา้ันรตั้งคถามนี้ไม่มีแต่มันเป็นการเอาปรัชญาตะวันตกของโชเปนเฮาเวอร์มาตั้งคําถามกับพุทธปรัชญาซึ่งโชเปนเฮาเวอร์เนี่ยเริ่มเจ็ทุกข์เหมือนกั น, กนชีวิตเป็นทุกข์ไม่มีความสุขเลยมันมันเหมือนลูกตุ้มนาฬิกาเดี๋ยวเวียนไปทางนี้เวียนไปทางนี้เวียนไปทางนี้อยากแค่ไหมเวียนไปทางนี้คือความอยากอยากได้แล้วไม่ได้มันก็ทุกข์ ได้สมปรารถนามันก็เบื่อชีวิตมีแต่เบื่อแต่อยากแค่แ่หาความสุขไม่ได้นี่คือโชเปนฮาวเวอร์และข้อสนนาเหมือนโชเปนฮาวเวอร์ไหมป็นพวกเราโลกในแง่ร้ายไหมตอบอยังไงแค่คำถามเดียวก็หมดเวลาสำนัแล้ว <c oughs> เห็นไหมยางไวิธีคิดวิธีเรียนแบบสัมมัตปัญญาเป็นยังไงอะ อันนี้พูดถึงเมทริอลิชีนะความเหมือนและความต่างเนี่ยเพราะฉะนั้นเราสามารถเรียนพุทธปริญญาเเราสามารถทำได้สองอย่างหนึ่งตอบในกรอบโดยอ้านตำราและถ้าตำรามันมันไม่ไม่ยังไม่เจอคำถามนี้เพราะสมัยนั้นจะไม่มีเนี่ยเราก็จะต้องอ้างพุทธคดหรือสุภาสิตหรมาตีความในมุมมองมใหม่เพื่อให้ทอดทุมปัญหานั้น เพื่อให้ครอบลุมปัญหานั้นบางทีตอนที่พุทธเจ้าตรัไว้เนี่ยมันไม่ได้ตอบปัญหาตลอดแต่ว่าถ้าตีความออกมามันสามารถขยายไนดะ้เพราะฉะนั้นเจึงมีจึงมีอัจฉริยไงอัจฉริยเมื่อผ่านเวลามาเขาตีความเพิ่มเติมให้ตอบคาถามนั้นๆในประโยคนั่นเดิมซึ่งวัตถุประสงค์ในการตอบอาจจะหมายถึงอย่างหนึ่งแต่เราใส่ความหมายใหม่เข้าไปเท่านั อินเทอร์ปิเตน่ะการตตะความมันยังมีศาสตร์ของการตีความเพื่อให้ตอบคำถามที่สมัยรู้ว่าไม่ได้ตั้งคำถามไว้อย่างเช่นตายแล้วไปไหนไปเกิดอยไหต่อเอาลนี่ก็คือเราเข้าใจกันแล้วว่าพุทธธรรมเน้นพุทธพจน์เน้นคำถามอยู่ในกรอบ และแม้กระทั่งการตีความภายในเรียกว่าอัตกะถาดีกางก็ยังอยู่ในกรอบแต่ใช้พอมาถึงอัตถาเป็นใช้วิธีการทางปรัชญาเพราะว่าตอบคําถามที่สมณริจ่าไมาได้ถามแล้วปรัชญาเถร ว, วาทก็ไปต่างจากปรัชญามหายาณก็เทียงกันมันเลยเป็นเป็นพุทธปรัชญาตัวนี้เพราะว่าถ้าในพระไตรปิฎกเขาไม่เทียมและอ้าวพระไตรปิฎกนี่กันด้วยอย่างเช่น ปัจจุปันนา อ, อติอเช่นเวลาที่เราพูดถึงว่าอติตานาคตปัจจุบั น, นอัชชันตังวาพิถวารูปเป็นทั้งอดีตปัจจุบันอาานาคตพระญาิบอก่าอย่างนี้อติตาาคตปัจจุบันนาอัชชันตังวาพิถวารงภาในนอกรูป หมายถึงศาสนามีอยู่ที่เป็นอดีตปัจจุบันอนาคตผู้เจ้กลาวตัดไปแค่นี้แต่ตีความต่างกันตีความต่างตรงไหนไหนเราเถรวาทเนี่ยถือว่ารูปเป็นคณิกะเกิดดับทุกขณะอดีตบันดับไปแล้วใช่ไหมปัจจุบันยังต้านอยู่อนาคตยังไม่เกิด อธิตานาะขัจตปจุบันนะแต่สัพพทิกะวาทะในประมาณพศอ ส, อสามร้อยบอกว่าตีความผิดไอ้ที่เราพูดตีความผิดรูปในอดีตก็ยังมีอยู่ปัจจุบันก็อยู่อนาคตก็รอเราอยู่เพียงแต่มันยังไม่เปิดเผยออกมา พูดอย่างนี้เราเราจะไม่เข้าใจเพราะเราหมูกบองในมูกบองแต่ถ้าใครรู้หนัง Back to the Future จะเข้าใจพระรู้เรื่องป่ะ <c ười> นี่นี่เรียนแบบพุทธธรรมไ่รู้เรื่องมันอะไระพวกนี้นอกกรอบ Back to the Future อ, อะไรในในย้อนกลับไปอยู่ในเหตุการณ์ในอดีตเมื่อพันปีที่แล้วเดี๋ยวนี้มันก็ยังอยู่เพียงแต่หมุนเวลาตัด <c ười> เออ ไม่ใช่รลึกชาตินะรลึกชาติมปอยู่ในเมมโมรี่นะไม่จริงนะแต่เขาเหมือนกับเราอยู่หลายมิติมิติกาลเวลาในอนดีตเมื่อห้าสิบปีที่แล้วมันก็ยังอยู่ตรงนั้นเพียงแต่เราต้องผ่านดับไปหาเทาันอดีตก็ยังอยู่พระพุทธเจ้าดับไปแล้วยังยังเทศอยู่เมื่อสองพห้ายปีก็ยังอยู่เพียงแต่เราต้องมีอะไรทายมชิน เครื่องกลับเวลาเนีทรงกลับไปอยู่เมื่อ 2,500 ปีเป็นนักฟังพระรูเจ้าแห่ mm hmm. นี้เองแสดงว่าปัจจุบันนี้ถ้าเรากลับไปได้แสดงว่าทร่นัยังอยู่ใช่ไหม mm hmm. อันตรตานาขตประปเกปันปนั่นพระอริยเมตไตรย์ก็ยังอยู่ในอนาคตถ้าเราไปในอนาคตได้เพราะฉะนั้นคนยังถือว่าถ้าอยากเปลี่ยนปัจจุบันต้องกลับไปเปลี่ยนในอดีตเปลี่ยนประวัติศาสตร์ hmm. นี่คือแนวความคิดของสัพพตติกาวาทินเมื่อ 2,300 ปีมาแล้ว ทันสมัยเลยล่ะแล้วมาสร้างเป็น Back to the Future อนี่คือตัวอย่างของพุทธพจน์เองเนี่ยสามารถตีความได้หลากว่าการตีความอยู่ในยุคปรัชญาเรียนพุทธธรรมเป็นพุทธพจรล้วน แต่เราไม่ได้เรียนพระไตรปิฎกพุทธผลวัลเราเรียนพุทธธรรมแบบเถรวาทเพราะฉะนั้นเราจึงเอาพุทธบัญญัติยุทธอภกถาพุทธโูสาจารภิธานดีกามาเพิ่มเข้าไปและมันเป็นมุมมองของเราที่ทําให้เราต่างจากมหา ญ, ญาติเพื่อนี้เพราะฉะนั้นอย่านึกว่าที่เราเรียนอยู่ทุกวันนี้ไม่ใช่พุทธบัญญามันเป็นพุทธบัญญาในมุมมองของอมหญญายาต เราเอาพุทธพจน์มาตีความของเราเองลากเข้ากับบาลีของเราไปก็เป็นแถวเป็นแนวจนวิสุทธิมัจจนอนุดีกาซึ่งคนระแบกกับฝ่ายจีนเกาหลีญี่ปุ่นทิเบตและเขาบอกว่าเนี่ยมันจึะทําให้เป็นปรัชญาเทรวาทของเขาก็เป็นปรัชญามหายหญ่แต่ถ้าพุทธพจ น, น์ล้วนอริยสัจสี 4, เขาไม่เถียงใตรักเขาไม่เถียงเห็นหแต่ว่าใต ร, รักของเขาอ น, นิจจังพองอุทธะนะตาเขามีสุญญาตาเขาเนี่เราก็เถียงได้ไสุญญาตาเขาเนี่ยเห็นหมห้ยังไปไม่ถึงไหนหรืปัญญาคืออะไรแน่ มันจะเปถึงวิทยาศาสตร์ชาติไหนกับมาต้องมาใหม่ะต้องมาใหม่ในะปรัชญาคืออะไรได้แค่นั้นแค่นั้นนะหรือไม่ฉันเพียเ้ยนอยอที่เราบอกว่าปรัชญาคือปัญญาเนี่ยมันก็ถูกครึ่งหนึ่งเพราะว่ามันปรัชญาเป็นภาษาสัสกฤตปัญญาเดียวกันแต่จริงๆ ปัญญาตัวนี้เราจะไปติดที่ว่ามันเป็นปัญญาไม่ใช่ปัญญาปรัญญาเป็นเหตุให้พบปัญญาปัญญาคือความรอบรู้แต่ก่อนที่เราจะรอบรู้เราต้องมี philosophy l ่มของว d สธรรความรักในความรู้เพราะฉะนั้นการแสวงหาความรู้ด้วย ว, วิธีการที่ว่าคิดตั้งคาถามในกรอบนอกกอบ แล้วหาคําตอบได้เนี่ยเป็นตัวกระบวนการเป็นโปรเซสเราเรียกว่าปราัชญาเป็นเหตุแล้วเสร็จแล้วพอเราค้นพบคําตอบมันเป็นผลเป็นตัวปัญญาบังเอิญว่าปรัชญาเนี่ยรวมเอาทั้งเหตุและผลเข้าด้วยกันเพราะฉะนั้นพูดตัวไหนมันก็เป็นปรัชญาหมดพูดในพูดธรรมซึ่งเป็นผลในการสัสรู้เราก็เป็นปรัสราในความหมายของผน พูดถึงกระบวนการปฏิบัติกรรมฐานเพื่อให้ถึงปรัชญาหรือปัญญามันเป็นเหตุมันก็เป็นฟิโลโซฟีทั้งนั้นเพราะฉะนั้นฟิโลโซฟีเนี่ยเป็นตั้งแต่เอถึงแท็กตอไก่ถึงคนคู่แต่บังเอิญว่าเราจับเอาตรงบางเอเราปรัชญาเราไปจับเอาตรงเอบีซเราไม่ไปจับตัวแท็กหรือกอไก่เราไม่จับตัวคนคู่ตรงไหนมันก็ถูกทนะังนั้น แต่เวลาที่เราเรียนปรัชญาเราต้องตอนหนักว่าตอนนี้มันเป็นปนะปสเ็นกระบวนการนะตอนนี้เป็นผลนะเพราะฉะนั้นเวลาเราพูดถึงคำว่าปรัชญาเนี่ยถ้าเป็นผลคนอินเดียเรียกว่าโลกกทัทชัตหรือทัศนะคนอินเดียแปล philosophy ว่าทัศนะดารชันทัศนะแปลว่าอะไรความเห็น ความเห็นหรือโลกกระทั์ในภาษาของเราเนี่ยแปลเป็นคำว่าเวิร์มฟิลด์เวิร์มฟหรือโลกกระทัดเนี่ยเป็นผลสรุปของปรัชญาที่แต่ละคนเอามาใช้มองโลกเพราะฉะนั้นพวกเราเนี่ยไม่ใช่นักปรัชญานะแต่ไปเชื่อผลการค้นคว้าทางสังสอนของนักปรัชญาแล้วเราก็ เอามาเป็นแว่นมองโลกของเราแว่นแบบเทววัตก็มองโลกแบบเทววาตแว่นแบบมหา ย, ยานก็มองแบบมหา ย, ยานแว่นแบบคลิปก็มองแบบคลิปเพราะฉะนั้นเวอร์นวิวการมองโลกของเรามันถูกกำหนดโดยแว่นแว่นวนี้คือปรัชญาแว่นนี้คือปรัชญา และถ้าเราเอาแค่นี้มาใช้ในการดำเนินชีวิตมามีอิทธิพลต่อการดำเนินชีวิตมีอิทธิพลต่อกิจตรางทั้งหมดเป็นตัวขับเคลื่อนชีวิตเราเราเรียกว่าปรัชญาชีวิตเพราะฉะนั้นปรัชญาชีวิตของชาวพุทธจึงต่างจากปรัชญาของพวกสาสนาพุทธตรง น, นี้กุดีขา ว, วน่นบนมัสยิดอยู่ในที่นี้หมด ทีนี้ถ้าเกิดแต่ละคนมัน atic, แฟรนติกแปลว่าข้านวนวลตัวเองมันมันเอียงข้านใสกันนะมันไม่คุยกันนะเหนไะเพราะโลกกระทัดมันแขงเ่เหมือนกับมา้าและปานมมองใสเโลกนี้มันจะตีกันมันจะมีไอซิสขับรถชนที่สเปนเพื่อทำลายคนฟลิกมันจะมีคนผิวขาวขับรถชนคนผิวดาที่อเมริกา จนที่ปรึกษาของปรึกษาคนที่วานแผนให้ทั้มได้รับรางวัลต้องลาออกเมื่อวานนี้เออชื่อเบนนอนเป็นคนวานแผนให้ชนะการเลือกตั้งแต่เขาเป็นพวกเคเคเคคูคลักแคลงต้องผิวขาวเท่านั้นคลองอเมริกาทั้มจะมีแล้วระแบบที่ที่ว่านโ ย, ยบายแข็งกล้าเพราะเกิดคนผิวดำถูกทําร้ายขึ้นมาคนนี้เลยต้องลาออก โดนไล่ออกเมื่อวานี้นี่วนวีรู้ทั่วโลกเพราะอะไรเพราะคนอเมริกันถือว่าพวกคา่แข่งดินแดนนี้เป็นของคนขาวแต่อเมริกาน นักปรัชญาที่มองโกว้างเขาบอกว่าไงดินแดนอเมริกาไม่ใช่ดินแดนที่มาจาก Blood and Soil บ่นความน่าสุดเมดื่อวานนี้ Blood ที่ไปว่าเลือกเ อ, อย Soil ที่ไปว่าดินอเมริกาไม่มีคนเป็นเจ้าของประเทศโดย โดยสายเลือดทุกคนอพยพหมดเพราะฉะนั้นจะมาบอกว่าเผ่าไหนเป็นเจ้าของอเมริกาไม่ได้ไม่ว่าคุณจะเป็นขาวเป็นดำเป็นแ l ล c ก or w h ไว e จะบอกว่าคนขาวเป็นเจ้าของประเทศและอินเดียแดงและคนดำแต่ประเทศไทยเราบอกได้ไหมว่าคนส่วนใหญ่ของประเทศเชื้อสายอะไร ไม่งั้นเขาจะเรียกไทยแลนด์เหรอดินแดงของคนไทยเหรอชื่อมันบอกไงแม้จะมีคนอื่นอพยพมาแต่ว่าคนไทยเป็นส่วนใหญ่เอ้าแล้วถ้าคนไท ย, ยมาจากภูเขาอันไตแล้วจะมาบอกว่าเป็นไทยแลนด์ได้ไงเดี๋ยวนี้มาเลยมีทฤษฎีคนไทยอยู่ที่นี่เพื่อให้เป็นเหตุเห็นผลว่าทาไม จึงที่ตั้งชื่อประเทศว่าดินแดงของคนไทยพูดภาษาไทยอะไรไทยแต่อเมริกาพูดได้ไหมไม่มีเผ่าไหนเลยแล้ว KKK จากมาเทรนมสิ์เป็นวอรวิวตัวเองเนี่ยโดมินเนทั่วโลกทั่วอเมริกาอะไรเนี่ยเพราะฉะนั้นแบนด์ก็ต้องโดนไล่ออก ปรัช ญ, ญาแห่งการเมืองการดำรงชีวิตเป็นตัวกำหนดและถ้าเราถือปรัช ญ, ญาคนละอยา่างเราก็ทนะเลาะกันเพราะว่าปรัช ญ, ญามันมันเข้ากันไม่ได้ผลแห่งปรัช ญ, ญาเราเอามาใช้กำกับชีวิตเราเรื่องบกวิวเรื่องวโลกกับทั เป็นตัวขับเคลื่อนชีวิตถ้าเป็นปรัชญาที่ถูกต้องเราเรียกว่าสัมมาทิฏฐิถ้าเป็นปรัชญาที่นำไปสู่ความขัดแยง้งเราเรียกวิิจฉาทิฏฐิเพราะฉะนั้นในมรรคมียง8แปดจึงเริ่มต้นด้วยปรัชญาที่ถูกต้องเมื่อเรามีปรัชญาที่ถูกต้องเราจึงรักษาศีลถวายทานรักษาศีลเจริญจิตธรรมะ เราจะมาบวชเราจะมาเรียนมหาจุฬาไอ้พวกวิชาทิฏฐิมันไปอยู่รุ่นปอยเปย์รุ่นไปเล่นไพ่อยู่รุ่ น, มนไม่มาหรอให้เรียนฟรีมันก็ไม่มาประตูวัดมันเปิดกว้างหมดใครเข้าบ้างเฉพาะพวกสำ ม, มาทิฏฐิป็นพวกวิชาทิฏฐิมันไปไหนเดินไปเดินมาเนี่ยมันก็เข้าคุก ขณะปิดนะัมันจะเข้าไปเลยอะไรเป็นตัวแบ่งนะท่านตัวปรัช ญ, ญาปรัช ญ, ญาเรียกว่าทิฏฐิเรียกว่าทัศนะอินเดียเรียกว่าทัศนะพุทธศาสนาเรียกว่าทิฏฐิปรัช ญ, ญาที่ถูกต้องเรียกว่าสัมมาทิฏฐิ แต่ถ้าเราตั้งคําถามนอกกรอบนี่เราถามตั้งผู้ดใดกรอบนะและเราไปมีสิทธิตัดสินของคนทัศน์ทีของผู้อื่นว่าเป็นมิจฉาได้อย่างไรเขาก็จะถูกในมุมมองของเขาเพราะฉะนั้นตัวพุทธธรรมเนี่ยมันจะมีการกําหนดว่าที่เป็นสมมติทิฏฐิเป็นมิจฉาทิฏฐิแต่ถ้าเรียนในปัญญามันเป็นทิฏฐิและพยายามเข้าใจเขาว่าเขามีทิฏฐิอย่างไรทัศนะอย่างไร สังตะครุบทคริกเขามีทัศนะอย่างไรแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันมันสยิดเขาเรียนเขาสอนกันอย่างไรเราแลกเปลี่ยนเรียนพยายามรู้เขารู้เราอยู่ร่วมกัน p พื่อโซนพอเอ็กซิเนนี่คือข้ามกรอบของโลกทัศน์ที่ถูกกำหนดให้เป็นสากฏมากขึ้นเพราะฉะนั้นเรียนปรัชญาจึงต้องใจกว้างยอมรับความเห็นที่ แต่ตาเพราะเขามีสิทธิ์ตั้งคำถามนอกกรอบเมื่อกี้ท่านแนะนำว่าไปพูดที่อียิปต์ยี่สิบสามสิบปีมาแล้วพอพูดจบคนมุสลิมมาตั้งคำถามไม่เคยเจอที่ไหนเลยคำถามเขาเองไอ้ที่ท่านเขียนท่านพูดเนี่ยนะคำหนึ่งก็อ้างพระพูเท日เจ้าสองคำก็อ้างผู้เทเจ้า เหมือนกับว่าพุทธเจ้าเนถูกต้องเป็น final authority อ้างพุทธเจ้าพุทธเจ้าเป็นใครใหญ่กว่าพระเจ้าหรือไงที่ถูกต้องอ้างพระเจ้าค่าพระเจ้าที่เหนือพุทธเจ้าของท่านเกือบชกกัน <c oughs> นี่ถามรอบก่อใช่ไหมครับ <c oughs> เออ <c oughs> เขาถามเพราะเขาไม่ใช่เป็นคนพูด และถ้าเราไม่เรียนปัญญายเราตอบแบบนี้ชกกันน่ะเราก็จะต้องอ้างว่ากรอบของคุณมันเป็นอย่างนี้พระเจ้ากรอบของฉันเป็นอย่างนี้พระเจ้าในของคุณเข้ากับอะไรของฉันและสิ่งเหล่านี้พระพุทธเจ้าไม่ใช่คนสร้างกฎแต่คนค น, คนพบกฎของคุณพระเจ้าเป็นกฎแต่คำถามมันไม่ได้อยู่ที่ว่าใครถูกใครผิดคุณเชื่ออย่างไรก็อย่างนั้นแต่ประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่า ถ้าเราจะถามคุณมากและคุณรู้ได้อย่างไรว่ามีพระเจ้า <c oughs> ที่สูงได้ไง proof for the existence of God พระเจ้ามีที่พอสร้างโลกและทำไมโลกมันแย่อย่างทุกวันนี้แ <c oughs> สดงว่าพระเจ้าไม่ดีใช่ไหม <c oughs> เดีเราตั้งคำถามเขาที่โลกมันลบการมีไอพวกไอสิษ์ของคุณเนี่ยไอพวกมุสลิมที่ไปตั้งรัดอิสลามแล้วก็เอารถไล่ชนคนเนี่ยแสดงว่าพระเจ้าโนใจใช่ไ สแสดงพระเจ้าใจร้ายไม่จะใจร้ายเอ้าถ้าไม่ได้ใจร้ายทำไมไม่ห้ามห้ามไม่ได้ห้ามไม่ได้สแสดงว่ามีอำนาจไม่ต้องไปเคารพมันจงมีมีสิทธิ์ที่จะตั้งตำต<ม>่างแล้วว่าเมอซี่ความการุณา<ม>กับ impotent ไม่สามารถ<ม>เป็นได้เลยมากมถ้าโลกนี้มี ความเลวร้ายมีปัญหาไม่รู้จบไทยสร้างถ้าพาระเจ้าสร้างโลกแสดงพระเจ้าสร้างปัญหามาเพียบพระชาไม่ได้สร้างโลกแต่พระเจ้าต้องลงโทษม น, นุษย์เลยต้องมีแสดงพระเจ้าใจร้ายเห็นไหมโชกกันในฝ่าเ ก, ก็จะบอกคือทุกคนมีสิิตั้งคำถามกับเอกชน น, น, นั้นและเพราะเอกนอนชนเพื่อเสนอมันจะเกิดปัญญา แต่ถ้าเราอยู่เราไม่มีคําถามก็แล้วไปส่วนมดไปต้องมาเรียน <c oughs> ทิฏฐินะถ้ยาใจปัญญาในจริงมันเป็นทิฏฐิแต่ถ้ามันเป็นทิฏฐิที่เราเอามาใช้แในลีชิตมันเป็นสมมติทิฏฐิของแต่ละคนนะทุกคนเก็ว่าเขาตัวเองถูกต้องครนะอามาจะรอบ้าง มอจากเรก็มีปรัชญาคือเป็นพลังขับเคลื่อนทําไมเรามาเรียนท่างพุทธพจน์พุทธปรัชญาพุทธธรรมเรียนวิทยาศาสตร์ก็เพราะว่าเป็นตั้งปรัชญาว่าให้เรียนพระพุทธศาสนาบุรณษการกับศาสนาใหม่เอาไปพัฒนาจิตใจและสังคมทาอะไรไมันก็อยู่ในกรอบเนี่ยวิชาไหนมันก็อยู่ตรงนี้ทําไมเรียนที่ตีาสามอ่ากับบุรุษการกับพุทธศาสนาตอบมันเป็นคําตอบ ทำไมเรียนวิชานี้เรียนวิชานั้นพัฒนาจิตใจและสังคมมันเป็นโลกธาน์ของชาวมอจรอซึ่งพระกรมดิตคิดขึ้น <c oughs> <c oughs> ในที่สอมปัน5้าร้อยะ้สิ <c oughs> แล้วก็ทำมันเป็นพลังขับเคลื่อนนี่เพราะฉะนั้นจนถือว่าปรัชญานี่เป็นตัวเป็นพลังขับเคลื่อนชีวิตองค์กรประเทศชาติ เพียแต่ว่าที่มันทะเลาะกันเพราะมันถือปรัชญาคนลโลกปรัชญามันจูนเข้าไม่ได้ตรงกันเราเรียกว่าไม่มีทิศทิสามมัญญตาความสามนาคีมันเกิดจากสี่ละสามมังสาัญตานั้ถือกฎหมายเหมือนการปฏิบัติเหมือนกันกับทิศฐิสามมัญญตาปรับปรัชญาที่จูนให้เข้ากัน สีเหลือสีแดงนี่มันถือประญญาปริญญ า, ญญาถามว่าประย ญ, ญาปริย ญ, ญาคืออะไรคุณจะเอาอะไรก่อนระหว่างเศรษฐกษิจเศรษฐกษิจกับเสรีภาพมันมีสองเรื่องเท่านั้นเลยถ้าพูดกันก็คือในความมั่นคงเนี่ยคุณจะเอาอะไรเป็นตัวตั้งระหว่างนี่ freedom from want กับ freedom from fear อยู่อย่างปราศจากความหวาดกลัวกับอยู่อย่างปราศจากความกดยากให้เลือกในโลกนี้มันมีสองกลุ่มเท่านั้นแหละแบ่งประเทศออกมาเป็นสองกลุ่มเพราะมันถือปรัชญาคนละอย่างทุกคนต้องการอิสระภาพอิสระภาพจากอะไรจากความกดดันยากจบวิบุรณ์ปลุกพ้นไม่อยากไม่อยากยากจบ และอีกคนหนึ่งก็อยากจะได้อิสรภาพจากความหวานระแวงหวานกลัวถามว่าอะไรมาก่อน priority ประเทศจีนเอาอิสรภาพจากอะไรความกดดานแต่คุมมันเข้มคุมเข้มบางประเทศเอาอิสรภาพทางการเมืองอย่างอินเดียเลือตั้งแต่กดดาน จีนอียเนี่ยเป็นตัวอย่างเลยคนร่ำรวยาหญ่ถามว่าอินเดียจนวันนสูตรกี่ร้อยล้านมีทางที่จะเจริญก้าวหน้ามัไม่มีแต่เขาเป็นประเทศประชาธิปไตยที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลือกตั้งล้มรัฐบาลได้อินเดียจีนคนพันล้านเหมือ น, นกันเลือกต่างได้ คมเข้มและจีนอนเดียใครรวกันจีนมีกินมาเที่ยวประเทศไทยมาเที่ยวนี่โอ้ยได้ตูกง <c oughs> เตะเลเกิจะต้องไปทำค้าขายให้เขาเพราะกฎเล็กเขามีห้ามหือแต่คุณมีกินอินเดียเสรีภาพมีทุกแบบ ศาสนาอะไรดีหมดแต่ จ, จนหมายถึงว่าคนจนยิงเยอะอยู่เนี่ยคือสองอย่างเพราะสองอย่างเนี่ยถามว่าประเทศไทยเลือกแบบไหนตอนนี้ถ้าทะเลาะกันมันไม่มีกินห้ามทะเลาะ แต่เนี่ยผมเพื่อให้ทุกอย่างมันเข้าที่ฟื้นเศรษฐกิจแล้วพอฟื้นเศรษฐกิจสัดานี่งมันก็จะแบบกอิเดียเลือกตั้งเสรีตีกันโจนี่กับคุบิ <c oughs> เอเพราะเราเป็นอินโดจีนเนี่ยอยู่รวมกิอจอินเดียต่างไปกันมา <c oughs> เพราะเลือกตั้งเสรีโอ้ยดีดีดีตีกันปักปักปักปักมาคุบเงี่ย ตอนนี้จนสำเสกัแสรุปปรัชญากำกับการดำรนมชีวิตของเราโลกกระทัดของเราขับเคลื่อนองค์กรแม้กระทั่งประเทศชาติแม้กระทั่งโลกนี้และถ้าปรัชญาไม่ตรงกันมีสิทธะกัน อาทีนี้ก่อนเข้าเรื่องพุทธปรัญญาเอาที่พูดมาก่อนใครมีคำถามถ้าไม่ได้ถามแล้วจะอกแตกเขาตั้งคาถามให้ถามเยอะๆหรืออยากตอบอยากสแสดงความคิดเห็น เ, นเนถ้ายังไม่ตั้งตัวไป่ทานไปต่อพุทธปรัญญาเยาทีนี้เข้าวิชา พุทธปรัชญาเนี่ยหลักๆมันจะมีสาระอยู่สามเรื่องตัวอภิปรัชญาเมตาฟิสิกส์ยานวิทยา epistemology และก็จะริยศสารเอทิกส์ตัวเอติกเนี่ยมันจะเป็นปรัชญาชีวิตปรัชญาการเมินปรัชญาอะไรต่างเป็นวิธีดำนรมชีวิต ในอภิปรยายเนี่ยว่าด้วยความจริงอะไรคือความจริงเมตจฟิสิกเนี่ยถ้าเราถามว่า น, นิพพานมีจริงไหมโลกนั่นมีจริงไหมมีชีวิตมีวิญญาณมีอะไรมีความจริงไหมอะไรคือความจริงที่อยู่ได้โดยตัวมันเองอะไรคือความจริงที่สมมติขึ้นมาการพูดเรื่องความจริงประเภทนี้เป็นอภิปรยาย แล้วเรารู้ความจริงได้อย่างไรถ้านิพพานมีแต่เรารู้ว่านิพพานมีได้อย่างไรถ้ามีมีโลกหน้ามีชาตินั่เรารู้ได้ยังไงว่ามีเทวามีเมรีพรมรู้ได้อย่างไรเป็นยาดุริยาถ้าเราจะบรรลุนิพพานซึ่งมีจริงเป็นข้อหนึ่งเราจะบรรลุคือเข้าถึงเรียนรู้ได้อย่างไร เ, เรียนรู้ความรู้ของมนุษย์เนี่ย มันเพราะมันสามารถมีศักยภาพที่จะรู้สิ่งที่เป็นงองกุตระหรือไม่นิพานถ้าบอกว่ามีศักยภาพตรงนั้นคำตอบประเภทนี้เรียกวิญญาณวิทยาแล้วทำอย่างไรถึงจะเข้าถึงนิพานปฏิบัติตนอย่างไรเป็นจริยศาสต ร, ร์เป็นเอทิคและถ้าทำอย่างไรถึงจะไปเกิดในสวรรค์สวรรค์สมบัต นอกจากที่ทานสมบัติสวัรค์สมบั ต, บติต้องมีท า, ทานศีภาวนาเป็นจริยสัจแล้วสวรรค์ไม่จําเป็นจะต้องมีอยู่ในชาติหน้าในชาตินี้ก็ได้เอาสวรรค์มาอยู่บนดินเราจะสร้างสวรรค์นบนดินได้อย่างไรก็เป็นจริยสัจสร้างโดยระบบการเมืองเป็นปรัชญาการเมืองสร้างในระบบการศึกษาเป็นปรัชญาการศึกษาญาณุทย า, ยาบวกจริญสัจมันก็เป็นปรัชญาการศึกษาเพราะฉะนั้น จริงๆโดยหลักมันก็จะมีอยสามและทีนี้เวลาที่เราตั้งคำถามนอกกรอบแล้วถามความจริงเกี่ยวกับในปรหัสนะว่ามันมีอะไรบ้างที่เป็นของจริงคำตอบหรือคำถามเพื่อคาตอบเพื่อตอบคำถามนี้อยู่ในอภิปรัญาอภิปราในโลกนี้แบ่งออกเป็น กลุ่มกลุ่มกลุ่มคำว่าจริงในตัวเองก็หมายความว่าไม่ได้ไม่เป็นเป็นความจริงปฐมภูมิของเทพไม่ได้อาศัยแสงไข่อย่างพระอาทิตย์เนี่ยแสงของพระอาทิตย์เนี่ยเป็นความเป็นความจริงในตัวของมันเองแต่แสงของพระจันทร์ไม่ใช่ อภิปรยาจะถามแสงในตัวเองและอาจจะถามถึงว่าแสงที่อาศัยแสงโพลืร์ดในความจริงที่เกิดมาเพราะยันตนด้วยความจริงขั้นต้นคืออะไรเขาขันแรกสะสะนิยมไมโครโฟนไม่ได้มีจริงผู้ยงนต์โงเขาว่าจริงไม่มีจริงก็เพราะว่า ในตัวมันเองในโลกนี้เน่จุดตั้งต้นของไมโครโฟนมันมาจากการประกอบชิ้นส่วนต่างๆเข้าด้วยกันประกอบประกอบในรูปนี้ให้เป็นอย่างนี้มันจึงเป็นไมโครโฟนถ้าเอาของอย่างเดียวกันไปประกอบอไปประกอบเป็นอย่างอื่นมันก็เรียกอย่างอื่นเพราะอ่านันมันปเปลี่ยนได้ไมโครโฟนไม่ได้มีในตัวมันเองเราย้ายไปเรื่อย เปลี่ยนแล้วแต่จะไปประกอบเป็นอะไรไอ้พวกซื้อขยะไปต่อไปมันอาจจะไมโครโฟนไปทำยังอื่นไปหลอมไปทําอะไรกันหลึ<ม>เปลี่ยนรูปเป็นกลองกันไนเพราะฉะนั้นไมโครโฟนไม่ใช่ความจริงตรวนี้ถ้าอย่างนั้นไมโครโฟนมาจากไหนมาจากสารเบื้องต้นสะสามในสุดเราก็แบ่งสะสมออกไปทุบย่อยสลาย ไปจนถึงจุดที่มันแบ่งไม่ได้เขาเรียกอะตอมอะตอมเ็นราษากษแปลว่า uncuttable แบ่งไม่ได้ลองจินตนาการนะไม่ว่าอะไรก็ตามเนี่ยแม้กระทั่งเบญจขันนี่ร่างกายของเราเนี่ยทันคาานาอย่อยไปเป็นเซลล์่เป็นปรมาูเป็นอะตอมถ้าอย่างนั้นตัวอะตอมตัวปรมนูนี่ คือความจริงสูงสุดที่แบ่งแยกไม่ได้ใช่ไหมคนเชื่อว่าใช่มาสองพันปีเชื่อว่าใช่มันต้องมีอะตอมมีมีปรมาลุูแต่มาเมื่อร้อยปีที่แล้วปรมาลุูยันแบ่งได้อีกมีระเบิดปรมาลุูอ่ะเอาอะตอมยูเรเนียมพลูโตเนียมระเบิดตายแยกออกจากกัน กายเป็นพลังงานสาสารกใายเป็นพลังงานไปหมดตัวสาสารคืออาตอมแบ่งไม่อีกเพราะฉะนั้นไมโครโฟนตรงนี้มันเจนเคยเป็นอะตอมอยู่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่แล้วจากอะตอมนันแบ่งได้เป็นพลังงานมันคือนอนอะตอมมันคืออนุตา ฝ่ายที่เชื่อว่าสสารเป็นอะตอมคือฝ่ายที่เชื่อว่ามีอนตมันสิ่งที่อยู่ได้ด้วยตัวมันเองฝ่ายที่บอกว่ามันยังแบ่งได้อีกมันอาศัยกันและกันเกิดขึ้นเป็นปฏิจจสมุปปนธรรมมันเป็นนอนอะตอมคืออนันตาในยุเดียก็มีสองกลุ่มเถียงกันมาเป็นพันธๆปีแต่ใครมาตัดสินตอนนี้ วิทยาศาสตร์ศาสนาพราหมณ์บอกมีอะตอมมีอะตามันศาสนาพุทธบอกนอนอะตอมอ น, นัตตาและแต่ใครจะเชื่อแต่พอทุกวันนี้กรรมการชี้ขาดคือหลอดและเทอร์ฟอร์ดระเบิดอะตอมเป็นคนแรกเสร็จเลยและตกลงเชื่อใครมันก็เกิดงานอย่างเต๋าออ p ฟิ s ิกส์ สรรพสิ่งเป็นสุญญาาว่าพูดแค่นี้เพื่อให้บอกว่าตัวที่ปริญญาเนี่ยามันหาความจริงสูงสุดในตัวเขามันงองกมันเกินที่ฟิสิกส์อย่างนี้จะเห็นมันเป็นเมตาฟิสิกส์เหนือฟิสิกส์จริง แล้วถ้าเกิดความจริงนั้นมันไม่ใช่สสารล่ะอ่ะมันก็เป็นพลังงานแล้วถ้ามันเป็นพลังงานทางจิตอ่ะจั ก, กรวาลนี้มันไม่ได้มีแต่สสารตาบอดนั้นที่มันรวมกันเป็นระเบียบเรียบร้อยมันมาจากอะไรอาจจะมีพลังงานที่มีปัญญาอินเทลเจนมันก็เลยแยก พลังงานออกเป็นพลังงานตามบอดกับพลังงานที่มีปัญญาเขาเรียกพลังงานที่มีปัญญาว่าวิญญาณโลกนี้วิญญาณพลังงานที่มีปัญญาเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นจนเกิดสรรพสิพ่งเราก็เรียกว่าเป็นจิตนิยมถ้าโลกนี้ วิญญาณเป็นผลผลิตของสาาสาราตามทฤษฎีเรื่อธนาการมันก็เป็นสาสารนิยมอะไรคือความจริงสูงสุดโลกนี้ถือกำเนินมาจากพลังงานที่มีสติบางอย่างเราเรียกจิตนิยม i ถ้าถือกำเนิดมาจากสสารที่มันไม่ได้มีสติปัญญาอะไรหรอกมันเป็นพลังงานของโลกมันเป็นจะพลังงานล้วนๆแม้แต่สมองมันก็ผลมาจากการรวมตัวกันอย่างถูกสัสดส่วนแล้วเกิดจิตขึ้นมาจิตจึงเป็นผลข้างเคียงผลผลิตของสสารสสารจึงเมตเตอร์นะมเอร์ิซมจึงเป็นความจริงขั้นสูงสุด ความจริงขั้นสูงสุดก็เป็นสสารนิยมมีกลุ่มหนึ่งเชื่อว่าสสารก็เป็นมีพลังงานสองแบบพลังงานที่เป็นสติปัญญาก็มีพลังงานที่เป็นสสารก็มีทวีนิยมจริงแท้ทั้งคู่ ดูริสึกอ่ายกตัวอย่างในสมัยพุทธเจา้าพวกาศาสนานนิยมก็คืออชิตะเกสะกำพลครูทั้งหมดขบอกทานไม่มีผลการบูชาไม่มีผลนี่ในเอ่อในพระไตรปิฎกเส้นสายของโลกหน้าก็ไม่มีคนเราเป็นแต่ประชุมของธาตุทั้งสีะนะ่เมื่อทำการและปริยาธาตุดินไปตามธาตุดิน ธาตุน้ําไปตามธาตุน้ำธาตุไฟไปตามธาตุไฟธาตุลมอินทรีย์ทั้งหลายเลื่อนลงอันนี้อยู่ในวัตถุนิยมเป็นวัตถุนิยมปรัช ญ, ญาอินเดียเขาเรียกจาราว่าไม่มีชาติหน้าชาติหน้าก็โลกหน้าก็เป็นมีครับว่าโลกหน้าของชาตินะจิตเป็นผลผลิตของธาตุมารวมกันเราถือว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิชน์ เป็นอุจจารที่ถีิตายแล้วสูงในปรยาตวันตกเขาเรียกจิตเป็น ghost entity เป็นผีในเครื่องจักรคนป่าไปเห็นโรบอทคุณโยนเดินจับนน่นทำโน่นทำนี่เหมือนคนแต่มันเป็นเหล็กคนป่า ก, ก็อุ้มไปแกะดูทั้งหมด hey, มันไม่มีอะไรเลยเลยแล้วทำไมมันพูดได้มันเดินได้ สแสดงว่าเครื่องจักรในผีสิงโคสินเรมันชีสติปัญญาของมนุษย์เนี่ยมันก็คือตัววิญญาณเนี่ยเป็นโกสิธเรมันชีสตามภาษาคนป่าแต่เราเข้าใจว่าโลบอบหุ่นยนต์เนี่ยมันเกิดได้อย่างไรมันมีเครื่องจกักรทำไงมันพูดได้อะไรไนดะ้มันมีโปรแกรมของมันมันมีชิปมัน แต่คนไม่รู้ว่าเป็นผีเห็นมนุษย์เดินได้พูดได้ก็เลยนึกว่ามีวิญญาณไอ้วิญญาณนี่คือผีเพราะเราไม่รู้แต่จริงมันเป็นผลผลิตของสาสารความเชื่อแบบนี้มีมาแต่ในสมัยพุทธกาลอจิตาเกศตรรมพนปัจจุบันก็เป็นโพสิทธิ์มชิสสารนิยม จิตตะนิยมเบอร์เกอ์บอกว่า to be is to be perceived ใครอยากเรียนจิตตะนิยมไอ้ที่ว่ามีอยู่ทั้งหมดเนี่ยเป็นผลผลิตของความคิดในปรญาอินเดียเรียกว่ามายาเป็นจิตตะภาพที่เราสร้างขึ้นมาว่าตอนนี้เรากำลังกาลังมาเรียนที่จริงไม่มีหรอกท่านเราคิดขึ้นมาเอง วกท่านนี้ก็เป็นความคิดผมผมก็เป็นแต่ความคิดท่านบางินถูกตั้งโปรแกรมจูนให้มันคิดตรงกันแท้จานั้นถ้าว่าก็ไม่มีมันก็คือไม่มี to be to be เปอ s ์ซิที่มันมีเพราะเราเห็นมันเราคิดถึงมันโลกสสารเป็นผลของความคิดคิดของใครของพระเจ้าพระเจ้าจาินตนาการให้มันเป็นเหมือนกับช่างตั้งนาฬิกาปก พระเจ้าคือคนที่ตั้งาริกาสรรพสิ่งในโลกนี้ศาสนาพราหมณ์บอกว่าเป็นอะไรเป็นจินตนาการของพระพรหมพระพรหมจินตนาการให้มีเรามีมีอะไรหนันเพราะฉะนั้นทุกอย่างเป็นมายาภาพไม่มีจริงสิ่งที่จริงคือพระพรหมพระเจา้าในพุทธปริยาเราเรียกว่าวิทยาว่าโยคาจากักร จิตเท่านั้นเป็นจิตเพียงสิ่งเดียวไม่มีความคิดอื่นนอกจากจิตนี่มหายานก็เป็นอย่างนมันจงเป็นปรัชญาส่วนทวินิยมเดกานบอกว่า think t h e ดฟ f o r e I am ข้าพเจ้าคิดเพราะฉะนักข้าพเจ้าจงมีอยู่ตัวข้าพเจ้ามีอยู่ สสารที่ถูกคิดก็มีอยู่เพราะฉะนั้นมันจะมีความจริงสองอย่างจิตกับสสารเป็นจริงทั้งคู่แต่จิตกับสสารมันเชื่อมกันไม่ได้จิตไม่มีที่อยู่สสารมีที่อยู่เพราะฉะนั้นจิตมันจะไปอยู่ในสสารได้ไงมันจึงแยกกันตลอดเวลาเป็นความจริงที่แยกจากกันไม่เคยรวมกันเป็นทวินิยม ถามว่าในสามกลุ่มนี้โอ้สนับสนายกับกลุ่มไหนศาสานิยมถามก็กรอบนะเจิตนิยมเขาคุณาคือเทระาะ น, นะยาววิทย า, านนะเทระวะนะเถรววะเหมือนเหมือนไหมเหมือนกลุ่มไหนชาววินิยมนะนี่คือเวลาที่เราเรียนรอกรอบเราจะต้องรู้ว่าเราจะตั้งคําถามรอบกรอบเล้ พุทธศาสนาเถราวาทเป็นสารนิยมจิตนิยมหรือทวินิยมเพราะเหตุใด อ, อ่าตอบหน่อยเป็นเพราะอะไรตอบตอบให้กรอบก่อนทําไมเราจะบอกว่าเป็นทวินิยมทวินิยมคืออะไรพิธีตอบทวินิยมถือว่าความจริงมีกี่อย่างทวีสองยาน แล้วจริงในตัวมันเองไม่ต้องอาศัยซึ่งอย่างอื่นมันก็อยู่ได้จริงในตัวเองเคืออรสองอย่างจิตกับส า, สารทําไมจริงบอกว่าจิตอยู่ได้โดยไม่มีส า, สารต่อบเทวดามีส า, สารนี่อ่ะเทวดามีเป็นสร้างวิมานอะไรต่างนี่ วิมานคือว่ามันเป็นสาสารต้องยกภูเขาไปทำอะไรมีสวรรค์หกชั้นน่มีตรงไหนเป็นสาสารบ้างมิหน้าจะลวมัระทุทะลุผ่านไม่หมดไม่ไปนชนวิมานไปเลยเห็นไหมจิตมีในตัวเองถู่ไหมและสาสารมีไหมไม่มีก็เราไปโชคกำแพงดูมันก็เจ็บเห็นปะ สรุปและเป็นทวินิยมแต่ทวินิยมของพุ้นะถ้าเราบอกว่าชวิตพู้นะเป็นทวินิยมแล้วจิตกับสารมันเชื่อมกันได้ไงในเมื่ออีกอย่างหนึ่งมันต้องมีที่อยู่อีกอย่างหนึ่งไม่ได้มีที่อยู่แล้วมันจะอยู่ทาไม ไม่ต้องพยายามเชื่อมเพราะว่านักปรัช ญ, ญาทั่วโลกก็เชื่อมไม่ได้จนทุกวันนี้ยังตอบไม่ได้ที่เดการเริ่ยไว้อ่านว่าเดกัสเจากฝรั่งเศสโริ่นเริเร่เดกัส เ, เ, เ, เป็นคนเริ่มทุิลิยมไว้แล้วหาคําตอบไม่ได้แล้วก็ไม่มีใครอยากจะตอบเพามันตอบไม่ได้มันเป็นปัญหาโลกแตกก็เมื่อศาสารมันกินที่ มันมีสเปซแล้วจิตมันไม่มีสเปซไม่มีที่มันอยู่ที่ไหนก็เลยมันไม่จะเป็นต้องไปอยู่ข้างในอ่ะมันเชื่อมมาได้ไหนและถ้าเรามีจิตแล้วก็มีสาสารอยู่ในตัวเราแล้วมันอยู่ตรงไหนมันไม่จะเป็นต้องอยู่ตรงไหนถ้าพูดในแบบเดกานอ่ะเพราะมันไม่กินที่เอ็กซ์เทนชัน จิตที่ก็คือมันมีความว่างนี่เหมือนจุดอะจุดยังไงมันก็ต้องอยู่มันถึงไม่มีความว้างมีความยังมันก็ต้องอยู่ตรงไหนตรงหนึ่งในจักรวาล น, นี้แหละแล้วจิตมันอยู่ตรงไหนพระคุณเจ้าตอบไม่ได้เพราะเราเป็นทวินิยมนี่ตอบได้ไหมไม่ต่างตอบเพามันตอบไม่ได้ปัญหาที่เขา เพราะอะไรเพาเราเริ่มต้นให้มันแยกจากกันแล้วเมื่อเริ่มต้นมันมีสองอย่างแล้วมันจะบารมกันไม่ได้แต่พุทธศาสนาต่างจากเดการอย่างไรจากพุทธิยกอย่างไรทั้งๆ ท, ที่เราเมีความจริงในตัวมันเองความจริงในพุทธศาสน า, านมีกี่อย่างนะสองอย่างอันนี้ตอบต้งตอบ <c oughs> ประโยคก้าวตองตอบในแบบตอบให้มีหลักเนั่นทําตีองก็มาตอบให้มีหลักสิทคะแนนตอบพีหลักคืออย่างนี้ตัวพี่ปรียาในพุทธศาสนาเรียกป ร, ปรมัตถธรรมปรมัตแปลว่าความจริงโดยตัวมันเองไม่ใช่สมมูติสัจจ์ปรามัตถสัจจ์จริงในตัวมันเอง ใช่ไหม Absolute truth ไม่ใช่สมมติสัจจ์ conventional truth สิ่งที่เป็นปรมัตสสัจจ์จริงในตัวเองในพุทธนามีกี่อยา่างตอบให้มีหลักอะสามอย่างสี่อยา่างเฮาอยา่างเลยก่อนอีักนธอจังทุก ข, ข, ขนันธ์เอ่อจังทุกขันนัตตาเอาแล้วใครบอกว่าสี่ ไม่ต้องไปหันใครละท่านตอบเองก็โยกน์เก้าสวนอ่ะพี่ทำกันคืนอ่ะโอ้นั่นแหละโยมฟังสวนยังรู้เลยอ่ะพี่ตาดาบเนี่ยมันก็มี4อย่างจิตอะไรอีกเจตสิกรูปนิพพานเห็นไหมนี่แหละคือจริงในตัวนี่ตอบในแบบเนี่ ตอบในแบบแต่เมื่อจิตเป็นปรมาติตเจตสิกก็เป็นปราติตรูปก็เป็นปรามิตนิพานก็เป็นปรามิต น, นี่คือความจริงในตัวนเองสแสดงว่าเราไม่ใช่ทวิทยยมแล้วอะไรเจตุนิยม <c oughs> <c oughs> มีสีอ <c oughs> เออนี่คือข้อต่างกันแรกความแตกต่างอีกการหนึ่งก็คือ จิตเจต ส, สุปจิตเจต ส, สิกรูปเป็นโลกิยะส่วนนิพพานเป็นโลกุตระปรัจจัยทวิทิยมท่านพูดแต่โลกิยาเห็นไหมเราแยกระหว่างโลกิยะกับโลกุตระเอาทีนี้เมื่อ น, น, นิพพานเป็นโลกุตระเอาไม่พูดแล้วเราจะมาเทียบในโลกิยะดีกันจิตเจต ส, สิกเป็นฝ่ายเอ่อเป็นฝ่ายนามรูปเป็นรูป ก, ก็นามมารูปเห็นไหม คามจริงก็เลยมีสองถ้าเราพูดในระดับโลกียะก็นามารูปหรือจะเอาที่ผานเป็นนามแต่ในที่นี้เป็นในโลกีย์แล้ทีนี้มาถึงเรื่องจิตปะเวลาที่เราเรียนพุทธธรรมเนี่ยเราต้องเรียนในแบบก่อนว่าจิตคืออะไรมโนคืออะไรวิญญาณคืออะไรปรากฏว่าในพระสูตรนี้นะจิตก็ดีมโนก็ดีวิญญาณก็ดีเป็นไว้พจน์กัน นี่คือตัวอย่างของการเรียนแบบพุทธธรรมอ้างบาลีมาด้วย <Okay. S 1> อพอดูออกใช่นี่จิตตังก็ดีพิสุทธิาท์าังขนี่คาว่าผู้ที่จะใช้คำว่าพิฆเเวนคือผู้แเจา้าบอกพิสุทธ้งหังขนี่สิ่งที่เรียกว่าจิตมโนวิญญาณเนี่ยเกิดดับทั้งหวันทั้งคืนเป็นคณิกะนี่คือโลกัศน์ของเทรวาเป็นคณิกะ ไม่และถ้ามันเกิดดัางมันมันไปหาพบภูมิใหม่ได้ไง น, นี่เนี่ยนี่ยกตัวอย่างว่าถ้าเราจะเรียนเอาเรียนการสำราญอีกจิตนิยามว่างไรเรียนแบบพุทธธรรมอารัพนังจิตเตติติตจิตตังธรรมชาติที่คิดอารมณ์ อารมณ์คืออะไรอารมณ์คือสิ่งที่เกาะเกี่ยวอารมณ์นัเหมือนเราเราเอาตะปูไปตอกไว้ใช่ไหมเอากล้องไปแขวนเอาอะไรไปแขวนกระเป๋าไปแขวนตัวตะปูเนี่ยเป็นอารมณ์ไอ้สิ่งที่ถูกแขวนคือจิตจิตมันจะเกิดได้จะต้องมีที่แขวนรูปอารมณ์เราจะเห็นรูปจะต้องมีที่ ซึ่งเป็นาศาสนาเ อ, อ้ซึ่เป็นเ อ, อเป็นพลังงาน่ะเป็นธรรมชาติคิดมันจะต้องมีสิ่งที่ถูกคิดถ้ามันไม่คิดมันมีได้ไหมถามนอกกรอบถามในกรอบคือจะต้องมีอารมณ์ให้เป็นคิดถ้ามันไม่คิดมันมีไหมมีไหมเออแล้วรู้ได้ไงว่ามี S <S เดียวไหมนี่คือถามก้อปรัอนะ<ด><ก>เรียนวิอยาการถามต่อปรัจริงถ้ามันไม่คิดไม่มีทางรู้มันเดียวแต่ถ้ามันคิดมันจะมี ความมีคือความคิด think อไอซิงก t เ a ฟโฟไอเอเดียการบอกมันจะรู้ว่ามีแต่เมืคิดถ้าไม่คิดมันก็ตายอเออ I think t เ e r e f o r e I am เพราะฉะนั้นความมีอยู่ของจิตคือมันต้องเป็นธรรมชาติที่คิดและไอธรรมชาติที่คิดคือจินต์ตนี่แหละในคำนิยามนี่แหละ คือมันต้องคิดมันบอกอยู่แล้วถ้าไม่คิดก็ไม่ใช่จิตอะ่ะทีนี้เมื่อมันคิดมันรู้ได้อย่างไรว่ามีมันจะเกิดปรัชญาสองสองกลุ่มในขณะที่คิดเนี่ยนะมันสำนึกตัวด้วยเขาเรียกเซลล์คอนเชียสในขณะที่คิดเนี่ยมันรู้ตัวว่ามันคิด เหมือนไฟที่ส่องเนี่ยถ้าไม่มีไฟเหมันก็มืดโลกนี้ถ้าไม่มีจิตมันภูเขามันจะไม่รู้จักแม่น้าแม่น้ามันจะไม่รู้จักเมฆไม่มีอะไรเลยและจะบอกว่ามีได้ไหมไม่ได้แต่มันโลกนี้มันจะมืดหมดเลยคือมีเหมือนไม่มีเหมือนกับสมมติดาวอังคารตัวนี้ไม่มีสิ่งมีชีวิตเลย ดาวอาคานมันรู้ตัวไหมว่ามันมีดาวอังคานมันมีอะไรที่บอกว่ามันเป็นดาวอังคารมันก็คือสาระข้อหนึ่งมันไม่คิดแม้แต่อมพระจันทร์ก็ได้พระจันทร์ตอนนี้มันไม่มีสํานึกตัวเลยว่ามันมีแต่ทําไมเราจึงบอกว่ามีพระจันทร์เพราะมนุษย์เดินไปรู้ ลำพังให้มันอยู่ตัวนี้ฉะนั้นจิตของมนุษย์ทาหน้าที่เหมือนไฟฉายครับส่องไปที่ไหนก็ประกาศให้ปรากฏส่องไฟฉายส่องให้มันปรากฏจิตเป็นตัวประกาศโลกนี้ว่ามีอะไรและประกาศตัวไปนเองว่ามีด้วย เขาจึงเรียกจิตว่าสวยามประกาศสกาศัสิ่งที่ประกาศตัวเองว่ามีอยู่นในปรยามหายาเ้าเรียกสวยามหรือสยามประกาศสกาดประกาศเปิดเผยตัวเองเหมือนไฟฉายที่ส่องมันส่องสิ่งอื่นด้วยแล้วมันบอกตัวมันเองว่ามันเป็นไฟฉายด้วยทีนี้คาถามต่อมา ประเด็นที่ต่างกาันเนี่ยมันไม่ได้อยู่ตรงที่จิตมันประกาศตัวเองหรือไม่ทุกคนต้องถือว่าต้องประกาศตัวเองแต่มันประกาศ ท, าทันทีหรือประกาศทีหลังในขณะที่เราส่องไปเนี่ยจิตมันสำนึกตัว ท, ทันทีไหมหรือว่ามันต้องรีเฟกคิดถึงอีกทีมีสองกลุ่มในโลกนี้ คือจิตเป็นเซลล์คอนเชียสันนอนตันทีในขณะที่มันรับรู้สิ่งอื่นหรือว่ามันจะต้องมาคิดถึงตัวมันเองมันจะรู้ภาษาของเราคือสติสติเกิดตอนไหนสติที่แปลว่าระลึกรู้ถังเนี่ย มันระลึกรู้ทําในขณะที่เรากําลังคิดกำลังทำหรือว่าพอทําไปแล้วพอคิดไปแล้วมันมองระลึกย้อนมาอีกมันถึงได้เห็นว่าฉันคิดนะฉันพูดนะฉันทํำนะตกลงในเสถาวร์กี้เอาจะเอาตอนไหนอ่าตอบให้มีแบบเพราะมันเถียงกันอ่ะใครตอบก็ถูกเั่านั้นแต่ว่าแบบในเสถาวร์กี้ตอบว่าไง คำถามพี่ีนะดูนั่นเหมือนกับยังไม่เข้าใจคำถามหรือถาคําตอบไม่ได้ยังไม่รู้เลยเอางี้นะถามอย่างนี้ในขณะที่เรารู้ตัวว่ามองมาที่ไมโครโฟนนะมองมาที่ไมโครโฟนทุกดมีคนถามว่าทําอะไรมองไมโครโฟนถามว่าเมื่อคุณบอกว่ามองไมโครโฟนเนี่ยท่านบอกว่าไมโครโฟนเนี่ย การรู้ว่าตัวเองมองไมโครโฟนเนี่ยความรู้นั้นมันเกิดทันทีตอนที่มองไมโครโฟนหรือเมื่อพยายามถามตัวเองว่ากาำลังทําอะไรถึงได้คิดถึงได้รู้ว่าฉันกาลังมองไมโครโฟนฮะมันเกิดทันทีว่ามันมองทีหลังอา่า ตากระทบรูปเกิดวิญญาณแต่วิญญาณนั้นมันรู้ตัวไหมว่ามันกำลังมองมาที่รูปนี่คือคําถามฮะมมอะไรนะครับมีสติก็รู้ก่อนสติมันอยู่ตร่ไหนตอนไหนและถ้าไม่มีสติอ่สมติถ้าไม่มีสติไม่รู้อ๋อ แสดงว่าท่านถือว่าทั้งรู้และไม่รู้ถูกไหมไม่ใช่คำถามให้เลือกเอาอย่างหนึ่งว่าจะรู้หรือไม่รู้รู้แสดงว่าไม่รู้ถูกไหมถ้าไม่มีสติก็ไม่รู้แสดงว่าโดยธรรมชาติมันไม่รู้เพราะคนไม่มีสติมากมายอยู่ในโลกนี้พวกประมาทเน่ยแสดงว่าธรรมชาติมุขเดชมันไม่รู้ถูกไหใช่หรือไใช่ก็ ไม่ใช่เห <c oughs> ็นไหม <c oughs> นี่ไงนี่บัตรถึงเป็นสัมปนาห์ <c oughs> ไม่ใช่เพราะอะไ ร, รอ่ะอแต่รู้อารมณแล้วไง <c oughs> อารมณ์เปนข้างนอกนะคุณไมโครโฟนเนี่ยไม่ใช่รู้ตัวเองธรรมอารมณ์ดิข้างในนี่กำลังพูดถึงอารมณข้างนอก ถ้าเกิดาจากสุขวิญญาณนะเวลานั้นเนี่ยรู้ว่าคือไมโครโฟนถือว่ารู้แล้วครับไม่ใช่คําถามนี่ไงถึงต้องบอกว่าต้องถามอีกคําถามไม่ได้บอกว่ารู้ไมโครโฟนแต่คําถามว่ารู้ว่าตัวเรารู้ไมโครโฟนเนี่ยมันเกิดตอนไหนเออนี่คือคำถามแสดงว่าตอนแรกไม่รู้ถูกไหมตอนแรกไม่รู้ถูกไหมล่ะ อะไรไม่รู้นะเพราะอะไรไเพราะจิตมันเป็นขนันธิกะมันเกิดดับทุกขณะแต่ขณะที่เป็นอดีตเรารู้โดยจิตปัจจุบันย้อนไปมองในกระแสจิตว่าฉันได้เห็นมิโมโฟ น, นสติคือระลึกรู้ ว่าจิตเมื่อช่วงเสี้ยววินาทีที่ผ่านมาเนี่ยมารู้ไมโครโฟนเพราะฉะนั้นสติมันจะเกิดจากการที่เอาไฟฉายมาส่องตัวเองปกติเนี่ยจิตมันจะส่องไปที่ไมโครโฟนเพราะฉะนั้นการรับรู้เนี่ยมันจะมี subject กับ object ถูกไหม so เนี่ยผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้ผู้คิดกับอารมณ์จิตคือผู้คิด I think อารมณ์คือสิ่งที่ถูกคิดสิ่งที่ถูกคิดเราเรียกว่าออบเจกต์เป็นอารมณ์ผู้รู้รู้อะไรรู้อารมณ์ถามว่าในขณะที่รู้อารมณ์เนี่ยจิตเอาตัวเองเป็นอารมณ์พร้อมกันได้ไหงคําตอบว่าได้หรือไม่ได้ในขณะที่จิตรวมเดียวกันเนี่ยเอาเออ เอาไมโครโเป็นอารมณ์ในขณะนั้นเนี่ยจิตมันจะเอาตัวเองเป็นอารมณ์ไปพร้อมกันได้ไหมมันมีแค่อารมณ์เดียวถูกไหมอ่าเอกคตาถูกไหมเพราะฉะนั้นเอกขตาหมายว่าจิตเกิดขึ้นเนี่ยมันมีแค่อารมณ์เดียวเท่านั้นนี่คือหลักของเถรวาทจิตจะคิดสองเรื่องพร้อมกันได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นในขณะที่จิตคิดถึงไมโคโฟนจิตจะคิดตัวเองได้ไหมไม่ได้นี่คือเถรวาท หลักก็คือว่า subject มันจะมีอ b j e c t สองอย่างพร้อมกันไม่ได้ผู้คิดกับอารมณ์จะเกิดมีอารมณ์สองอย่างพร้อมกันไมได้ถ้าเป็นไปได้เราทําสมาธิไม่ได้จริงหรือเปล่าสมาธิคือคิดเรื่องเดียวต่อเนื่องไม่คิดเรื่องอื่นเลยถ้าโดยธรรมชาติทุกวินาทีจิตต้องคิดสองเรื่องเองกแลตางจะได้ห ในเจนสิกมีไหมเอกขตามมาีน่าจะมีเนาะ <c oughs> <c oughs> ต่อไม่มีหลักการที่พูดได้หลา ก, ก น, นะอ้าะสรุปจิตคิดได้หนึ่งเรื่องหนึ่งอารมณ์ต่อเสี้ยววินาทีที่มันเกิดและถ้ามันไม่คิดมันจะมองย้อนกับตัวเองไม่ได้คำว่าคิดทีนี้ถามนอกนอกกลับ คำว่าคิดเราสามารถคิดแบบจิตใจสำาร็กไดไ้โดยไม่รู้ตัวอ่าเออได้หรือไม่ได้ได้อได้คือในขณะที่เราหลับโดยไม่ฝันนี้จิตคิดไหมจิตมันคิดในระดับไหนวิธีจิตหรือระวังพระจิตอ่า ดีไงจิตมันทำงานในภาวงโดยที่ไม่มีสติตถูกไหมเราเรียกว่า subconscious ไม่ใช่คอนเชียสมันอยู่ใต้ได้อีกที่หนึงในขณะที่จิตทำงานเนี่ยมันคิดของมันโดยที่เราไม่ได้มีความสำนึกตัวแต่ไม่ได้หมายความว่ามันไม่คิดเพราะฉะนั้นเวลาที่ตั้งคาถามว่า ถ้าอย่างนั้นจิตมันมีหรือไม่มีตามที่มันเป็นภวาบเอาลแล้วทำไมเราไม่รู้แล้วมีสติมันสามารถจะมีสติได้ไมหมหล่ะมันอยู่ในภวาบไม่ได้เห็นหนี่แหละมันจึงเข้าไปในลักษณะที่ว่าดินแดนของปรัชญาปรัชญาไม่ใช่วิทยาศาสตร์ตรงที่เราไม่สามารถจะพิสูจน์ได้ แต่เราก็มีเหตุผลว่ามันมีถ้าไม่มีมันก็ตายไปแล้วฉะนั้นเขาจึงถือว่าพลอยเมื่อจิตวิยาจิตวิยาของพลอยเนี่ยมีอันคอนเชียสเข้ามาจิตไร้สำนึกอันคอนเชียสแล้วจิตไร้สำนึกมันไม่ใช่วิทยาศาสตร์เพราะอะไรพิสูจน์ไม่ได้ว่ามีแต่มันเป็นรัญญาเพราะอะไรเพราะมันเป็น โมเดลเป็นแบบที่อธิบายพฤติกรรมของมนุษย์ได้แล้วรักษาโรคจิตได้แค่นั้นเองที่ฟรอยไซโคอโนอลิสิตยังมีมีลิทเีเดี ย, ยทุกวันนี้เนี่ยเพราะเอาไปรักษาโรคจิตได้แต่ก็ต้องมีปรีซัพโพซิชันสมมติฐานว่ามันมีจิต Unconscious ไร้สำนึกแต่พิสูจน์ทางพิสูจน์โดยปรญญนด์า่อได้เพราะมันไม่รู้ไม่รู้แล้วทาไม มันก็ต้องมีถ้าไม่มีมาอธิบายการรักษาโรคจิตไม่ได้เหมือนกับเราพูดถึงผวังเนี่ยผวางมันก็ต้องมีไม่งั้นอะไรจะไปเกิดใหม่ไม่งั้นอะไรจะเก็บประสบการณ์ไม่งั้นเราก็ตายมันไม่มีเขาเรียกว่ากระแสจิตมันไม่เกิดเพราะฉะนั้นมไหมคำว่าวิญญาณโสตกระแสจิตแม้แต่ตกผวังมันก็ยังมีกระแสของมันอันนี้มันเป็นอยู่ในดินแดงของปรัชญาไม่ใช่วิทยาศาสตร์ ปัญญาใช้เหตุผลเป็นหลักแต่พิสูจน์ได้ไม่ได้เห็นแล้วยังว่าวิทยาศาสตร์กับปัญญาต่างกัน ย, ยังไงต่างยาศาสนาตรงไหนศา ส, สนาเชื่อไว้ก่อนทำ บ, บุญไว้ก่อนแต่ปัญญาคุณมีเหตุมีผลคิดมันเข้าระบบใช้ได้แต่วิทยาศาสตร์คุณต้องสอบตรองได้ต้องพิสูจน์ได้สรุปแล้วความจริงของศาสนาวิทยาศาสตร์ ปัญญามันโอ้แหละกต่มันไม่ได้ตรงกับเสมอไปข้ามเรื่องนี้ไปอ่ะทีนี้มาถึงสำคัญจิตอยู่ที่ไหนในในในพุทธธรรมไม่มีนะพระพุทธเจ้าไม่ได้บอกว่าจิตอยู่ที่ไหนมาอยู่ในยุคพระพุทธโฆสาจารย์มายุคมิลินทปัญหา คำถามคำถามนีนะถ้าเป็นทวิทยมจิตกับสาสารอยู่ด้วยกันได้ไหมไม่ได้ไม่ไไมีทางบรรจบแต่พระพุทธศาสนาเป็นทวิทยุมัม้ยเป็นแล้วมันจะอยู่ด้วยกันได้ไงเออ ตรงนี้แหละที่เราจะต้องอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนที่จะไปตอบว่าทุกขสาเป็นอะไรเนี่ยนะเอางี้คำถามก่อนถ้าเราแยกจิตออกจากสสารตั้งแต่ต้นแบบทวินิยมจิตกับสสาราไม่สัมพันธ์กันตอบ ตอนนี้ก่อนเนะ่เรามีทางที่จะแยกจิตออกจากสาสารไหมในเทรวาห์อะเป็นแยกอยู่แล้วขันห้าแต่เวลาในเวลาที่มันเกิดขึ้นเนี่ย เ, เดี๋ยวเดี๋ยวตอบทีหลังนะเอาเป็นว่าในทางพุทธศาสนาเนี่ยในขันห้ามมันไม่ได้แยกกันตามหลัปกปฏิจจส ม, มุปบาทมันต้องมีหลักนะปฏิจจส ม, มุปบาทคืออาศัยกันและกันเกิดขึ้นมันจะมีกรอบอันนี้เดี๋ยวค่อย้เดี๋ยวค่อยมาถามคำถามแล้วกรอบพูดในกรอบก่อนนมามรูป นามรูปปัจจยาไอ้อไงเนี่ยวิญญาณปัจจยานามรูปมาสมผัสกันนามรูปวิญญาณเป็นปัจจัยจึงเกิด น, นามรูปในปฏิสังขติอะ่ะอ่านตำนาก่อนนะอย่าเพิ่งถามก็ตอบๆนะมีหรือเปล่ามีพุทธพจนิปปัจจ ญ, ญาณปัจจยานามรูปป นามรูปมีเพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยปัจจัยแปลว่าอาศัย ก, กันแล้กันถูกไหมนามรูปวิญญาณมันอาศัยกันแล้กันมีพระบาลีนี้ไหมตอบอย่างมีหลักมั่นใจไหมเออมั่นใจอมั่นใจนี่เขาเรียกว่าถามในกรอบ ก, อบกอบ่อนทีนี้จากจุดนี้เลยถ้าอาจารย์หาจากตรีความว่าแสดงว่าวิญญาณกับ น, นามรูปมันอาศัยกัน แล้ววิญญาณอยู่ตรงไหนในนามารูปจุดเชื่อถ้านะตอบเลยอยู่วิญญาณอยู่ที่หาไทยวัตถุวัตถุปแปลว่าที่อยู่หาไทยก็คือจิตนะหาไทยวัตถุคือจิตเนี่ยที่อยู่ของจิตอยู่ในร่างกายเราเนี่ยในนามารูปเนี่ยถามว่าตรงไหนเป็นหาไทยวัตถุคำตอบเนดะ พระพุทธโฆษาจารย์บอกอยู่ที่หัวใจในอภิธรรมก็บอกอยู่ในหัวใจจะสังเกตว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้ชี้นะว่าอยู่ที่ไหนนะแต่รุ่นอาารย์ขาจารย์เนี่ยบอกว่า ห, าหธัยยแปลว่าหัวใจอภิธรรมก็บอกว่าหัวใจอธัยวัตถุแต่ในพระสูตรไม่ระบุพระสูตรคือที่พระพุทธเจ้าสอนเนะี่ยในพระสูตรอาจาไปหลอก อภิธรรมปีดกนี่เขาถือว่าม า, มาเรียบเรียงใน ม, ามาพสสองร้อยเศษเหมนเจ้ญญาศพฉะนั้นเขาก็กลับไปดูว่าที่บริเจ้าเทศจริงๆนี่คืออะไรอภิธรรมคือบทสรุปของพระสูตรีกงทีแต่บางทีก็สรุปไม่ได้ตรงทั้งหมดมีอะไรเพิมเข้ามาเพราะว่าทำให้มหายานไม่ยอมรับอภิธรรมเรา ไอ้สร้างกับอภิธรรมเขาเองสารวัตรสติวาตินเนี่ยมันจะเกิดเป็นปรัช ญ, ญาสรารวาัตรสติอารินพระสูร่รเขายอมรับแต่เขาไม่ยอมรับอภิธรรมปีดกของเราเขาก็ไปมีอภิธรรมของเขาอภิธรรมพระโกศอะไรต่างมันเกิดพุทธปรัช ญ, ญาในช่วงเนี้พศสองร้อยสิบเพราะฉะนั้นเขาจะยอมรับพระสูตรถามว่าพระสูตรที่พระเจ้าเทศเนี่ยบอกไหมว่ารั้ไทยวัตถุอยู่ตรงไหนดูพระสูตร่วนหนึ่งนี่ จุลมาลุงไกยวดาสูตรเลยจุลมาลุงกยบุตรเลยสารโอพิมาลุงกยบุตร เ, เป็นชื่อพระมบวชแล้วพระเจ้าก็สอนมาลุงไกยเป็นพระสูตรเล็กแต่ชื่อว่าจุลมาลุงไกย คือมาลุงกยะตเนี่ยมาลุงก ย, ยัตบทจะเป็นพระไปเฝ้าพระเจ้าบอกว่าช่วยตอบคําถามที่พระุทธเจ้าไม่ตอบสิบข้อมีสิบข้อนะพระุทธเจ้าไม่ยอมตอบไม่ระบุให้ชัดไม่ฟังตรงในสิบข้อนะั้นมีอยู่ข้อหนึ่งบอกว่าตันชีวันตังสรีละอีกข้อบอกว่าอันยังชีวันอันยังสรีระชีบหมายถึงวิญญาณชีวัเนี่ยนะใน อาตมันเนี่ยที่ไปเมียว่าตายเกิดเนี่ยชีคขาเชีวะหรือชีพชีพกับร่างกายนี่เป็นอันเดียวกันภาษาท่าเรนะตังชีวังตังสริลัชีวะหรือวิญญาณอมตะกับร่างกายนี้เป็นอันเดียวกันคือสิ่งเดียวกันอัญยังชีวังอันยังสรีรัชีวะคือวิญญาณอมตะเป็นอย่างหนึ่ง ร่างกายก็เป็นอย่าหนึ่งคือแยกกันถ้าแยกกันแบบที่สองก็เป็นทวีนิยมถ้ารวมกันก็อาจจะเป็นสาสารนิยมหรือเป็นจิตนิยมก็ได้แล้วแต่ว่าอะไรเป็นจิตให้ผู้รู้จ่าตอบมาถ้าชี้วัดก็อันหนึ่งวิญญาณธรรมดาที่เรียนว่ญญาใจเกิดก็อันหนึ่งร่างกายก็อันหนึ่งแยกกันคนเป็นความจริงคนละอยะ่าง ใช่หรือไม่หรือเป็นอะไรเดียวกันตาหลวงพเจ้าไม่ตอบนี่คือคําถามคุณพระเจ้าไม่ตอบนะอ่ะอภัยอภัยยากระตาปัญหานะมีสิทข้อภาษาศิษย์แปลว่าอันดีแคร์พระเจ้าไม่ตอบเช่นอีกข้อหนึ่งโหติสถาคโตปรมรนานนานั่นโหติสถ า, าโตปรมรน า, น, านี่อีกสองข้ออธตการาอธิบายเขาว่าตถาคโตไม่ใช่พระเจ้านะ ตสารทโ ต, ตหมายถึงบีคือสัตว์เวียนวายตเกิดจางพวกเราเนี่ย <c oughs> จึงแปลว่าชีวิตมีอยู่หลังความตายถูกไหมเนี่ยพวกเราเนี่ยก็เป็นสัตยตายแล้วเนี่ยมีอะไรคงอยู่ไหมหรือไม่มีคือตายแล้วเกิดหรือตายแล้วศูนย์ <c oughs> บางุจวงพ่อไ่ตอบสิบข้อเรียกว่าปยายากะตัปัญหาเราก็มีหน้าที่ ตอบคาถามในกรอบก่อนทําไมพระเจา้าจึงไม่ตอบ <c oughs> แล้วตอบคําถามนอกกรอบทําไมพระเจา้าจึงไม่ตอบเนี่ยถามแบบคนนอกศาสนาถามแบบชาวพุทธทำไมพระเจ้าไม่ตอบปรากฏว่ามาลุงกะยบุตรไปถามพระเจ้าให้ตอบถ้าไม่ตอบจะสึก <c oughs> พระเจ้าบอกว่าในพระสูตรนี้พระเจา้าตอบมาลุงกะยบุตรแบบ ตอนที่เธอมาขอบวเนี่ยมีคำขอบวชว่าบวกเพื่อจะหาคำตอบสิบข้อแล้วถ้าไม่ได้ตอบจะสึกมีไม่มีคำสัญญาหรไม่มีสึกได้ <c oughs> ไม่ได้มีคอนแทคเนียไม่ได้เซ c o คอนแทคว่าจะต้องตอบถ้าบวชมาเชิญตามสบาย <c oughs> ถามว่าทำไมพริการไม่ตอบอ่ะตอบในในกรอบก่อน ตอบด้กรอบ น, นะก็ อ, อยู่ในสูตรนี้แหละจู ล, ละมาลุงในยุวานสั้นสุดเนี่ยคุณเจ้าบอกว่าถึงต่อมันก็ดับทุ่งไปไหนมันก็ยันเถียนแต่ไปรู้จบต่อบว่าชีวิตมีอยู่หลังความตายเดี๋ยวมันก็ไปนั่งสงสัยมันมีด้วยทงที่ดีคุณตายก่อนแล้วจะรู้มันจะมีอีกวิธีหนึ่งเลยเพราะฉะนั้นตายก่อนแล้วจะรู้เนี่ย มันไม่ใช่คำตอบเลยอันนี้อันนี้พูดตอบนอกกลอบไม่ใช่คำตอบเพราะว่าถ้าตายแล้วมันศูนย์ก็ไม่รู้ว่าม่มีชีวิตหลังความตายยกเว้นแต่ตายแล้วเกิดมันถึงจะรู้เห็นไหปยปัญญาเนี่มันจะคิดหลายชั้นนะเพราะฉะนั้นตอบนอกกลอบว่าคุณตายก่อนแล้วจะรู้ว่ามีตายแล้วเกิดหรือไม่ไม่ใช่คำตอบเพราะถ้าตายแล้วศูนย์ผมก็ไม่รู้นี่คาถามต่อไป ถามในกรอบตอบในกรอบแม้จะตอบอย่างไรคุณมันก็ยังไม่หายสงสัยในที่สุดมันจะไม่ปฏิบัติธรรมเพราะมันจะเถียงกันไม่รู้จบสำนักวัตชีตะวันจะกลายเป็นสำนักววนพวกวิปตินิยมพุกช่างสงสัยมิระตั้งคำถามในที่สุดอาจจะเป็นพวกตักกีวิมันสีนักตักกั นักฆาดเดาแต่พระเจ้าบอกว่าบวชเพื่ออะไรในคำขอบวชอ่ะสัพพะทุขันนิสระณะเพื่อออกจากทุกเพราะฉะนั้นวิธีออกจ็ทุกทำยังไง<ม>ทานศีลภาวนาไปปฏิบัติ<ม>ให้ปฏิบัติ<ม>และคุณจะดับทุกได้ถ่าดักท่าแต่ปฏิบัติแล้วดักทุกไม่ได้ท่านมาว่ากันจะสุดเขาไม่ว่าตอนนั้น เพราะมันดาทุกไปได้นี่คือทางดัดทุกคุณปฏิบัติคุณได้ดกยกตัวอย่างเหมือนคนที่ถูกลูกธนูยิงเสเยบหอกเสียบท้องเนีย่ยากจะพาเขาไปรักษาที่โรงพยาบาลคนที่ถูกยิงบอกจะ่พึ่งไปไปดูก่อนว่าใครยิงลูกศรมาจากทิศไหน มีพิษหรือไม่ลูกศรเนี่ยทำจะพิษอะไรเอาไม่ได้ข้อมูลก่อนแล้วก็ไปโรงพยาบาลมาลงกะยะบาบุเธอสำคัญข้อนั้นเป็ไนไงในที่สุดคนที่มวนแต่จะหาคาตอบตายก่อนไปถึงโรงพยาบาลใช่ไหมความจริงคือถูกลูกศรเสียบแทงรักษาปอนแล้วคุณจะไปตอบคำถามก็ไม่ว่ากันตอนนี้เนี่ยทุกเถาหัวหอยู่เย่ย ทำไมแม่ปฏิบเพื่อดับทุกข์แล้วว่าจมาเถียกันอยู่ดีเลยมองยังทำไมเนี่ยับกลับไปไปฉันเพลเททุกข์พระเจ้าจึงสรุปว่า เหตุที่ไม่ตอบก็เพราะว่าไม่ประกอบด้วยประโยชน์ไม่เป็นเบื้องต้นเพืงอครหมจาร์ไม่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อกายกำหนัดเพื่อความดับทุกข์เพื่อความรู้ริงเพื่อตัดสรุปเพื่อนิพต่อไปก็ไม่บรรลุนิพ่านและมันจะเถียงกันแต่ที่เมื่อเร็วันนี้มันสอบผ่านก็ ก, ก็แก้มไปมันมีประโยชน์การตอบแบบนี้ คืออภิปรญญายมาที่หลักเอาจริยศาสตรนะ์สนับนั้นดำรงชี้ที่มันถูกต้องก่อนแล้วคุณจะพบความจริงอภิปรญญายอีกเพราะฉะนั้นเขาเจึงถือว่าพุทธศาสนาเนี่ยเป็นเอธิกเป็นระบบจริยศาสตร์ระบบจริยธรรมเน้นการปฏิบัติไม่ได้เน้นให้มาเถียงกันเรื่องความจริงอภิปรญญาฉะนั้น คนไทยชาวพุทธถึงวาเนี้เขาไม่ได้มาสนใจเรื่องกับพี่ปริญญาเนะใช่ไหมเน้นเรื่องทางศีลภาวนาทำบุญไป ม, มาวาเนี่ยไม่ต้องไปเทศอะไรมากหรอกโย่ทำบุญพอแล้วมันลุ้นได้ยากไงแนวนี้นี่คือกรอบโลกกระชากที่ถูกหวานไว้ ซึ่งไม่ใช่มหายานมหายานเขาจะไม่เอากระสุนนี้เขาจะว่าอีกแบบนี่คือทำไมโลกกระทับจินต่างกันมหายานเขาตั้งคำถา ม, ถามเหตุที่ไม่ตอบเพราะอะไรทำไมพระเจ้าถิงไม่ตอบคือถามนอกกอบ เรานี่จบแค่นี้นี่คุณเจ้าบอกว่ามันไม่ไปบรรลุธรรพระยั้อ ไ, ไปนั่งกรรมฐานไปปฏิบัติก็ไปแต่ปัญหายาญ ม, มันเกิดนิกายเพราะเขาขพยายามหาคำตอบว่าทำไมพรธรจ้าัไม่ตอบคนที่ทำเรื่องนี้คือนาคารชุนนาคารชุนก็บอกว่าเพราะตอบอย่างไรมันก็ไม่ถูกเขาเรียกว่าไดอะล็กติกเป็นวิพากษ์วิธีคำถามนนทวนทะเละ มันจะเกิดเขาเรียกว่าเจนเกิดบุตริสโลจิขึ้นมาในมหาญาณเขาจะมีบุตริสโลจิเนี่ยตามกวิธียาของขุสนะทินาคัธรรมปรีรติมาจากคําัาทพวกนี้อ่ะตอบผิดตั้งแต่ต้นเลยยังไงธรราวิครับหุณ ตันชีวังตันสริรนะเขาถามว่าอะไรชีวะชีวะตัวนี้คืออะไรชีวะตัวนี้คือวิญญาณอรรมตาเหมือนอาตมันเนี่ยที่ออกไปหาภพภูมิเกิดใหม่เที่ยงแท้ถาวรเป็นส่วนหนึ่งของพรห ม, มันเมื่อเมื่อชีวะเนี่ยนะมาอยู่ในร่างกายเนี่ยเป็นอันเดียวกันหรือต่างกันเนี่ยพุทธศาสนาตอบไม่ไดนะ้เพราะพุทสนาบอกว่าไม่มีชีวะแต่จตุ วิทยามีแต่วิทยาไม่ใช <laughs> <laughs> ่จีวะเพราะฉะนั้นเหมือนจะถามว่าหลวงพี่เดือนนี้ยังฉันเขาเย็นอยู่หรือเปล่าพี่ะตอบว่าไงไม่ฉันแสดงว่าจ่ก่อนฉันถ้าบอกว่าฉันจะ้ารถ้อก่ฉันจ้าเรื่อถามก็ไม่ต้องตอบชกกันถามเรื่อยเพราะฉะนั้น ปัญหาบางอย่างไม่ตันตอบเขาเรียกว่าปัญหา ม, มันทีสี่อย่างเจ้ไหมปัญหาอย่างที่หนึ่งตอบตรงๆปัญหาแบบที่สองย้อนถามก่อนให้ตอบเจ้ไหมออปัญหาที่สามให้เลือกตอบและปัญหาที่สีไม่ตันตอบ <c oughs> เอกังศพยานกนรณียปัญหาปัญหาที่ตอบตรงๆงเช่นบัตรเช่นค่าคน เป็นบากหรือไม่บาปมันก็ตบากักทรัพย์อย่างนี้มันตอบตกได้ปัญหาที่ต้องย้อนถามฟันท้าตกน้บาปหมเด็กถามแล้วตอบว่าฟันพรนนนะต ก, ก, น, กตน้ำก็บาปถึงไม่บาปแพี่ฟันพระทีเชียวครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นเราต้องย้อนถามกันว่าไอ้ฟันเธอเธอเป็นอะไร <c oughs> นี ย้อนถามก่อนนิยามความหมายเนี่ยมันเป็นคำถามแบบนั้นมันใช้ความหมายบรยัตคำถามที่ต้องย้อนก่อนปฏิบุญฉาพยากรณีปัญหาแล้วก็วิพัฒชวาวทัฒนวิภ ว, ว, วิวิพัฒชาพยากรณีปัญหาให้แยกตอบเช่นมาเรียนมหาจุฬานีหรือไม่ดีอะ อ่เนี่เอกังศักแล้วไปอยู่ป่าดีหรือไม่ดีไปนั่งกับมัณฑ์ดีหรือไม่ดีนั่งกับมาาัณฑ์สาหรับคนที่กลัวผีเป็นโรคจิตโรคประสาทเฮียนร์นึกว่าคุยกับเทวดาไม่ดีแต่นั่งกับมัณฑ์สาหรับคนทั่วไปดีดไดอ้พวกไอ้อออที่มาปฏิบัติแล้วเพีย้ยนๆถึงว่าเปนโรคจิตอยู่แล้วตอลอดพวกผีไม่ดีอ่ะยิ่งนั่งยิ่บ้า ตอนหลังคุยกับเทวดาเลยไม่เดียวเลยอันนี้เขาเรียกว่าต้องเลือกต่อเช่นมีคนถามเรืวว่องความอดทนกิน เ, เป็นมังสวิรัตกินผักกับพวกกินเนื้อเนี่อะไรดีกว่ากันตอนนั้นเนี่ยเรื่องมังสวิรัตขึ้นมาดังในประเทศไทยระหว่างกินผักกับกินเนื้ออันไหนดีกว่ากันท่านแล้ว่าแยกตอบ กินผักหรือกินเนื้อก็ต่างถ้ากินด้วยไม่มีตัวกูของกูไม่ติดในรสอร่อยดีเท่านั้แต่คนไหนถ้ากินเนื้อแล้วติดในรสอะไรของเนื้อก็เป็นยัดเป็นหมาคนไหนกินผักแล้วติดในรสอร่อยของผักเป็นลิงเป็นข้างคำถามเหล่านี้เนี่ยภรรยาจะตัดปัญหาเลยทักให้บังที ผรีจนยังไมได้แยกไม่ในบางครั้งคุณแยกกระตอแต่ต้องแยกให้ให้ชัดอย่างนี้มีบางที่เพราะฉะนั้นการวิเคราะห์คําถามมันเกิดบุรีฟลูอจิกขึ้นมาในบางอยา่างแล้วก็เป็นพุทธประย่ญญาแต่ถ้าเราเรียนในตำรามันก็ไม่ต้องตั้งคำถามเลยรูจเาียนบอกว่าเป็น ป, ปฏิบัติก็ไปจบเป็นพุทธธรรมไม่มีคําถามดอกกรอบอ่ะ เมื่อกี้พูดถึงว่าจิตกับสะสารจิตกับสรีระเป็นทุนนิยมหรือไม่ผู้สำนมมึกเป็นเพราะไม่ได้แยกอยู่ได้ตัวลำพังนี่พระบาลีนี้ไงอริยาสาวกพูดในสดนับย่อใส่ใจด้วยดีโดยแยกภายถึงปฏิจจสมุปบาทในร่างกายสมุปบาทในร่างกายและจิตที่จะพ้นกล่าวมาวันนั้นว่า เพราะเหตุแบบนี <tu i ro> ้เมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จิตมีเพราะสิ่งนี้เกิดสิงนี้จิตเกิดเมื่อสิ่งนี้ดำสิ่งนี้จะดำคือมันอาศัยการและกันเกิดขึ้นวิญญาณนับปัจจัยานารูปปั้ได้หละเพราะฉะนั้นจึงเป็นวิทยโหยไม่ได้มันมันเป็นปฏิจจสมุปปะนะครับมันเองอาศัยการและการเกิดขึ้นและถ้าถามว่าอาศัยการและการนั้นอะไรสําคัญกว่าระหว่างจิตกับสสารพุทธศาสนาไม่ตอบเป็นอพยากตะแต่ว่า เมื่อตายแล้วก็ไปเกิดใหม่เมื่ออยู่ในชาตินี้ก็อิงอาศัยกันและกันมีหลักปรัชญาในปัจจุบันที่ไม่สนใจอภิปรัชญาเหมือนกับว่าจิตกับสสารนี่อันเดียวกันหรือไม่เนี่ยนะมีอยู่สองสำนักใหญ่ถ้าใครจะไปเรียนสำนักหนึ่งเรียก p h e n o m e โน l ล g y ของยุโรปของเยอรมันของฝรั่งเศสเรียกว่าปราประวัตารณ์วิทยาศึกษาเรื่องจิตนี่แหละและไม่สนใจคำถา ม, ถามทวินิยมของเดกการจิตมันมีแน่นอนสสารก็มีแน่นอ น, นเขาเรียกีอิ n งพวก existentialism เ Ex นี่ย e x i s t e n t i เนี่ยถามมันมีมีด้วยอะไร ประสบการณ์เอ p กซ์เพียร์เฟโนเมนาเพราะเรารู้มันมีแต่มันไม่ใช่จิตนิยมมันมีในตัวของมันเองดอกไม้ก็มีในตัวมันเองไมโครโฟนก็มีตัวเองจิตเราก็เป็นผู้รับรู้ปรากฏการณ์ที่มันเกิดกับจิตเรียกว่าเฟโนเมนาการสนใจความจริงในระดับเฟโนเมนาปรากฏการณ์เรียกว่าฟิโลโลจีและเฟโนเมนาเนี่ยมันมีอยู่ในตัวมันเอง แค่เรารัารู้บานทีมันก็มีเนี่ยเราเรียกว่า existentialism ปฏิภาวานิยมซึ่งปุษณาจะมีลักษณะคล้ายๆกับอย่างที่ว่าปธิภาวานิยมส่วนในจูระมาลุกโยวาทสูน์เอาปฏิบัติเป็นเกณฑ์ไม่ต้องไปสนใจศึกษา ว, ว่ามันจรงิงหรือไม่จรงิจรงให้มันปฏิบัติได้เห่นเรื่อง unconscious ของฟรอยเอามารักษาโรคิได้เราเรียกว่า pragmatism ปฏิบัตินิยม เพราะฉะนั้นสมัยเด็กเราจะบอกขุนศักดิ์บุรีสุทธิ is p r a g m a t i s m เป็นปรัช ญ, ญาอเมริกันคนอเมริกันสนใจ p r a g m a t i s m ปรัช ญ, ญาอเมริกันนะถามว่าอเมริกาเนี่ยมีปรัช ญ, ญาตัวเองไหม p r a g m a t i s m ส่วนทางยุโรปเขาเรียก phenomenology ตามภาษาต่างวิทยาแล้วก็ existentialism อสิพาวานิยมนั่งกรรมฐาน กรรมฐานเรามีสองแบบสมถะกับวิปัสสนาถ้าเป็นสมถะจิตเราอยู่ในโหมดของดุย n g คือทำอะไรบางอย่างคิดที่มันเป็นเรื่องเดียวเพื่อให้เกิดวิตกวิจาร์ปิติสุขเอกัตตาองมิฌานทำคือ เป็นกรรมฐานเป็นกรรมว่าเป็นการงานเขาเรียกสมถะส่วนวิปัสสนาไม่มีอะไรเลยอยู่เฉยๆไม่ต้องทำอะไรแค่รู้ตาที่มันเป็นไม่ต้องไปคาดหวังให้มันเกิดอะไรต้องเห็นอะไรแค่เคลียร์แนวที่นี่หรือ น, นี้เขาเรียกอยู่ในโหมด of being เป็นอยู่เพราะฉะนั้นในในการเป็นอยู่แค่ไม่มีการตัดสินว่าดีหรือไม่ดีเนี่ยกรรมฐานแบบแบบวิปัสสนา จะไม่มีการตัดสินว่าเราฟุ้งซ่านหรือฟุ้งซ่านแค่รับรู้ฟุ้งก็ให้มารู้สงบก็ให้มารู้ไม่ต้องเป็นตัดสินว่ามันตอนนี้เราดีไม่ไดีวิปัสสนาจะมีสติอยู่กับปัจจุบันไม่มีการตัดสินไม่ต้องการความสมบมงบไปกับการความสุขรู้สักแต่ว่ารู้ปฏิสติมตัยะมะตยะญาณมัตยะรู้สักแต่ว่ารู้หมดเอาหมี existence แค่เรามีชีวิตอยู่ก็บุญแล้ว mm hmm. เพราะฉะน้นคนป่วยคนโคมา่าเนี่ยแค่เขามีสติอยู่กับความมีของเขาเนี่ยเขาก็มีความสุขแลยที่มีการรับรู้ที่ยังมีจิตอยู่กับยากกับนิดได้แต่ถ้าไปคิดว่าฉันจะต้องหายจะต้องไปต่อสู้กับโลกจะต้องทำงานต่อยันรุ่มยัน้าอยู่มันจะเข้าสมถะดิ้นหลดและจะทุกข์ สุนิพัฒนาไม่ถูกเวลาเราไปสอนให้เอ็กเซ็ตให้ยอมรับเนี่ยมันต้องอยู่ในโหมดของมี i n g Existence พอเราทำอะไรอยู่ในโหมดของการยอมรับความมีความเป็นที่เรามีเราเป็นเนี่ยมันจะเป็นเซนโมโโลจีนี่คือสิ่งที่ เขาสื่อสารเวลาไปสอนพระคุณอยากไปพยายามเป็นดุวิกธรรมนั่งกรรมฐานไม่ใช่ดุวิกนั่นเป็นสมถะ น, นั่นเพื่อให้เกิดพลังจิตอิทธิ ป, ปาฏิหาริ์คาดหวังแต่วิปัสสนาผู้สักเป็นบุรุษเมดิเทชันเนี่ย just accept you r e x i s t e n t being there being here นะแล้วมันจะมีปัสสงวะ อยอมละใชแค่สื่อในแค่นี้เขาเข้าใจมีประเด็นเอยอะอื่นเยอะแยะแต่ว่าจะไปถึงวิทยาศาสตร์สักหน่อยเมื่อกี้พูดเรื่องอะไร อภิปรายยาหนุนวิย่าณนิดหน่อยมาถึงจริยศาสตร์ครบคุณเจ้าสอนอะไรอยาหนุ้วิญาก็คือความจริงบางอย่างเราเข้าถึงไม่ได้เป็นอัพยานศึกษาปาัญหาพุณเจ้า ก, ก็เลยสอนอันนี้เป็นประเด็นนะเพราะไม่มีเวลาเท่าไหร่ยมีให้คุณ้ฉันเพลินเอาเลยนั้นตอบได้นหน่อยเนาะ ถึง11โมง30โอ้คำตอบเลยนะ <c oughs> อ่้แล้วแต่เขาอาเริยสสตีนนี่คือการดำเนินชีวิตนี่คือจริยธรรเ <c oughs> มื่อเรามีทุกข์มีสมุทยัยมีนิโรธมีมันประเด็นที่ตั้งคำถามนอกกรอบนะู้สนัเป็นเพศนิสสุ สุขทุกทัศนนิยมของโลกในแง่ร้ายหรือเป็นสุขทัศนนิยมหรือเป็นสัจจะนิยมอันนี้มีเป็นเรื่องที่อภิปรายสัมาานากันได้แต่ว่าไม่มีเวลาละให้ตั้งเป็นประเด็นเฉยไปคิดตัวเองที่จะมาเรื่องวิทยาศาสตร์ตรงนี้ความจริงเนี่ยเนื่องจากพุทธศนาเป็น เน้นจารเรียนทตัวอภิปรยายนี่เอาพุทธศาสนาเทววันเราไม่ได้ให้ไปเสียเวลาในการศึกษาเน้นเรื่อง ก, การแอพพลายเรื่อง ก, การประยุกต์เรืการปฏิบัติเพราะเวลาในชีวิตเราสั้นแต่ความเป็นจริงไม่ได้ผูกขาดว่าจะต้องมีในพุทธศาสนาเท่านั้นธรรมนิยามมาสูตรกว่าหนอุปาธาวาพิกเวทาร น, น, นุปาท ทิตาวาสานาตุธรรมะทิตาธรมรมะนิยามต่างธรมรมะนิยามพระพุทธเจ้าจะอุบัติหรือไม่ก็มีธรรมะนิยามขึ้นกดธรรมชาติอยู่แล้วพร ะ, ะพุทธเจ้าเพียงแต่เพียงผู้ค้นพบประกาศเกิดเผยวิวรณิตวิพัฒติอุตานีกโติเอามาประกาศเกิดเผยสิ่งที่มันมีอยู่กฎธรรมชาติคือธรรมะนิยามมันมีอยู่แล้วตัวธรมรมะนิยามเนี่ยคืออภิปรา พระเจ้าเอามาประกาศเปิดเผยเพื่อให้เราอยู่ชีวิตให้ถูกต้องตา ม, ตามกฎนั้นการอยู่ชีวิตให้ถูกต้องตามกฎเป็นจริยธรร์เรารู้กฎได้ยอย่างไรเป็นยาวิทยาฉะนั้นพริเจ้าเรียพระองค์ปฏิบัติมียานุวิทยาประพบพบิปัญญาแล้วเอามาประกาศเปิดเผยบอกให้เราอยู่อย่างถูกต้องเราก็อยู่ตามนั้น เป็นจริยสตร์จึงมีมัชมีองค์แปดมีศีลมีสมาธิมีปัญญามีอะไรต่างอันเนี้ยและพระเจ้าเคยไม่ได้เถียงว่าสิ่งที่พระองค์ค้นพบเนี่ยมีเฉพาะในพุทธศาสนาเพราะว่าพระเจ้าจากอุบัติหรือไม่มันก็มีอยู่แล้วคนอื่นก็เพียงแต่ม่าค้นพบเพิ่มเติมตามที่พระเจ้าพบไปเลหรือ อาจจะมากกว่าแต่ว่ามันไม่ใช่ประเด็นที่นํามาปฏิบัติพระเจ้าก็ได้ไม่ได้อำมาสอนธรรมะกับมือเดียวอะ่ะป่าปอดูลายอะ่ะที่พระเจ้าไปในป่าปอดูลายแล้วก็ไปพบไปกับพระหลายลูกแล้วก็หยิบใบไม้ปอดูลายขึ้นมาใบกำมือหนึ่งแล้วก็ถามว่าใบ ไ, ไม้ในกำมือของเรากับใบไม้ในป่าไหนมากกว่าปะเขาบอกว่าในป่ามากกว่าในกำมือได้อยกว่าพระเจ้าบอกว่านี่แหละ ธรรมะที่เรานำมาสอนเธอเนี่ยมันน้อยนิดหยุดคำพแต่ที่เราค้นพบตรรุปปีกิป่าทั้งป่าเราก็ได้นํามาสอนทั้งหมดสอนเฉพาะที่เป็นไปเพื่อเบือน่ายเพื่อคลายกํานัดเพื่อดับทุกข์ฉะนั้นที่พระเจ้าไม่ได้สอนนักมีญาณก็อาจจะค้นพบตามหลักมาเพิ่มเติมเข้ามาและพระเจ้าก็ไม่ได้บอกว่าต้องมีในพุทธศาสนา นี่คือธรรมนิยามระสูทิดังนั้นกฎธรรมชาติในอันจฉัิยาท่านจึงบอกว่ามีห้าอย่างอุตูนิยามฟิสิอลลอร์สคุณเจ้า อ, อาจจะไม่ได้สอนทั้งหมดแต่มันก็มีอยู่นิยามแปลว่ากฎอุตูนิยาม ก, ก็คือกฎฟิสิกทั้งหลายพีชนิยามก็คือกฎที่มันเดาว่ากฎอะไรต่างๆนะี่ย แล้วก็จิตอนิยามไซคิ Law, กรอกรรมนิยามและก็ธรรมนิยามที่นี่คือในระดับพจนสานและถ้าแล้วิทยาศาสตร์จะมาศึกษาอุตุนิยามก็เป็นกฎฟิสิกส์วิทยาศาสตร์กยายภาพเรื่องจักรวาล พ, พีชอนิยามก็เรื่องพืนเรื่องชีวิตเรื่อง DNA จิตอนิยามก็เป็นเรื่องของจิตวิทยากัรมอนิยามเรื่องของชีวิตมนุษย์และธรรมนิยามคือกฎสากล พุทธเาไม่ได้ถูกขาดว่ามีเฉพาะในศาสนาแต่ก็ไม่ได้ห้ามว่าเราไม่อาจจะนำเอาสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์หรือใครค้นพบตัอนี้มาเสริมการสอนธรรมะประเด็นอยู่ตรงที่กฎของวิทยาศาสตร์ไม่จะเป็นต้องขัดแย้งกับกฎทางศาสนาอาจจะเสริมกันได้สัมปายในการที่นำมาสอนภุศนาเพราะฉะนั้นพระเจ้าจึงสรุปว่า นาหังพิภเวรโรเกณนะนวิบุษามีพิสุขลายเราไม่ขัดแย้งกับชาวโลกพุทธศาสนาจึงไม่ขัดแย้งกับศาสตร์ท่างหลัมหาจรรยาจึงบูรณาการพุทธศาสนาเข้ากับศาสตร์ต่างๆได้มันมีที่มาที่ไปนะธรรมวารีไม่ขัดแย้งกับใครถ้าพูดความจริงแล้ความจริงมันตรงกันไม่ทะเลาะ นี่ต้องถือว่าเป็นความใจกว้างในพุทธศาสนาไม่ได้ปลูกคาว่าสัจธรรมมีแต่นในพุทธศาสนาผิดใช่คุณเจ้าจึงไม่ทะเลาะ ก, กับชาวโลกให้ความจริงพูดความจริงเปิดเผยตัวมันเออกมาและความจริงบางอย่างมาเสริมอย่างเช่นทฤษฎีควอนตัม้มมาเสริมเรื่องอเดนอัตองเรื่องอะไรจะมาเสริมเรื่องอนันตาพุทธศาสนาในปัจจุบัน เพราะฉะนั้นไอนสไตน์จึงบอกว่า without religion lame. Religion without Science without ไซส์วิทยาเลนิชันอิสลิงเลนิชันวิทยาไซส์ปลายวิทยาศาสตร์ที่ไร้ศาสนาพิการศาสนาที่ไร้วิทยาศาสตร์ย่อมืดบอดวิทยาศาสตร์ที่ไม่มีาศาสนาก็พิการคือขาดสิ่งกระทำสร้างระเบิดระเบรูมาห้ามผ่านกันดีมันจะทำลายโลกถ้าไม่มีาศาสนา ส่วนศาสนาที่ไร ว, วิทยาศาสตร์มืนบอกก็คือความจริงมันย่างมันจะต้องอาศัยทางวิทยาศาสตร์พิสูจน์แล้วเอามาเสริมศาสนาถ้าเราไม่ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาช่วยเขามีเครื่องมือแล้วอาจจะติดต่งก็ได้เช่นอะไรเดี๋ยวจะให้ดูต่อไปที่ไอ้สไตพูด อันนี้ย า, นยางละยาพระพุทธเจา้าตรัสว่าคนในโลกนี้มีสามประเภทคนตาบอดคนตาเดียวคนสองตาอย่างวิยา ก, ก่อนนะไปเร็วเลยนะ้าใจเดี๋ยวดู ก, กัรวัดอันนี้อันทศัศน์คนสามจะพวกปรกากฏอยู่ในโลก ตาบอดตาเดียวสองตาตาบอดเป็นไงนไม่มีในตาเป็นเหตุให้ได้พกทัศย์ที่อย่างไม่ได้คือธรรมะหาขังกินไม่เป็นน่ยทันโลกและไม่มีเมตาที่รู้ธรรมะไม่รู้เรื่องศาสนาไม่รู้อะไรถูกอะไรเป็นอะไรดีอดไชั่วไม่เอาเรื่องศาสนามากํากับปัญญาในทางโลกปรับในตาในทางโลกมันก็จะเหมือนกับว่าวิทยาศาสตร์นี่ผลิตอาวุธฆ่ากัน ที่ไอสไตน์พูดวิทยาศาสตร์ไปทําลายล้างโลกส่วนมีแต่ความรู้ในทางธรรมมั น, มนตาบอดไปหนึ่งข้างเ่ตาเดียวไม่มีทัศนาตก็ทํามาหากินไม่ได้คนตาเดียวคนสองตาต้องมีความรู้ทั้งในทางโลกหาทรัพย์และควบคุมการหาทรัพย์การใช้ชีวิตเขาเรียกคนสองตามันนี่คือ สิ่งที่พระเจ้าสอนไาแล้ทีนี้เราจะมาทําความเข้าใจเรื่องนี้กันคนตาบมมอดคนตาเดียวคนสองตาเป็นยังไงวิทยาศาสตร์ได้ตั้งหน้าไปถึงขั้นว่าสมองมีสองซีกโรเจอ ร, ร์สเบริคือนักวิทยาศาสตร์ที่คนพบเรื่องนี้และได้รางวัลโนเบลในปี2024ไม่นานนี้เองสมองมีซีกซ้ายกับซีกขวา สีกซ้ายเนี่ยสมองก็จะทํางานโดยให้เหตุนในเรื่องเก่งในเรื่องของเหตุผลเรื่องตากะเรื่องคณิตศาสตร์เรื่องภาษ า, าอย่างที่พวกเราเรียนกันอยู่เนี่ยเราใช้สีกซ้ายแต่เรื่องอารมณ์ศาสนาศิล ป, ปะปรัชญาเนี่ยเป็นซีกขวาสมองมันทํางานอะไรอยา่างเพราะฉะนั้นคนที่ พัฒนาเรื่องวิทยาศาสตร์ตรกศาสาตร์คณิตศาสตร์มักจะไม่สนใจศาสนากับปรยยัชญาศิลปะศิลปะก็พวกที่ทำงานศิลปะเนี่ยนะ management ไม่ดีเพราะมันมองภาพรวมพวกศิลปินสังเกตไหมมีเงินอยอะเราเป็นนันกล่องรลางตอนท้ายเนี่ยบ้านก็ไม่เหลือสักหลาก เพราะมันใช้สิ่งของแต่การที่คุณจะลงทุนทำธุรกิจบัดซิกงสายแข่งขันในโลกนี้เนี่ยมันใช้สิกษสายภาษาวิทยาศาสตร์คณิตคนมันจนส่งเสริมให้เด็กเนี่ยพัฒน า, าเฉพาะสิกษสายแล้วออกไปสู่บัดแข่งบันไดาลาลากันตั้งดาเรียน เป็นใหญ่เป็นโตห้าหันกันถ้าไม่มีศาสนาสักอยู่ซีขวาไม่มีการส่งเสริมให้การเติบโตคนมันก็จะขัดเย็งเพราะมันดีแต่ซีสายแล้วพวกซีขวาก็เป็นเหยื่อ น, นองเน้นต้เมเตี้มต้มเตี้มโดนเงินทอนก็ไปอีก <laughs> <laughs> ไม่รู้ใจทาบัญชีเข้ามาสวายแต่รับระเคไปเรื่อยลุงพี่ S <S <S <S เห็น ห, หลอกง่ายอย่างนี้เป็นต้นอย่างพุ่มพวงโดงจักอ่านหนือออกภาษาเป็นอยู่ิ่งสายแต่ร้องเพลงเก่งที่รู้จิกคนที่มาเป็นผู้จัดจา ก, การคนที่มาทำอะไรเอาความดังของเขาเลย ใช้ประโยชน์ตัวเองไม่ได้ไม่ได้คนที่มันแต่งงานด้วยในสุดตายต่อายุสามสิบไม่ได้พักไม่ได้หยุดไม่รู้จะไม่รู้ว่าจะป้องกันตัวเองอย่างไรเพราะเรียนจบแค่ปอสองไปเท่งานศพสายยาันเนี่ยไม่เหลือสมบัตอะไรเงินหมากไม้หาศา ให้ภรรยาอยู่อย่างีดีลการแก้วสุพันต์ก็ได้ให้กคนสุขันศิแล้วปิดมันไม่บาลานซ์ไมันมีตาข้างเดียวอ่ะเอกจากขวดทำไมไม่สอนให้มีสองข้าง เรารู้ศาสตร์ทั้งหลายด้วยแล้วมาเรียนศาสนาศิลปะเนี่ยอย่างมาเรียนมหาจุฬาเนี่ยมันจึงต้องให้เรียนพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่ให้มันมีสองข้างนี่สมองมันจะมีสองสิซ้ายกับขวาที่ว่าวิชาไหนเพิ่มอะไรเล and น, นไ g h t อันนี้เป็นเป็นเรื่องที่รู้กันทั่วไปในวอกาวิยาศาสตร์แตนี้ถ้าใครอยากรู้ว่ตัวเองเนี่ยนะ ใช้สีซ้ายหรือซีขวามากลองมองภาพตัวนี้ว่าแมวเนี่ยมันหมุนไปทางไหนเห็นปุ๊บในแมวหมุนไปทาไหนนะวนไปทาไหนอย่างนี้หรืออย่างนี้ตามเข็มนาฬิการหรือทวนเข็มนาฬิกานะตามเข็นไปเลยอะตามนี่คือหมุนอย่างนี้หนระือหมุนขวาถ้าสวนทวนก็นหมุนซ้ายเห็นแมวหมุนซ้ายหรือหมุนขวา ขวนขวาเห็นไหมไเห็นไดเลยไเห็นเลยถ้าจริงๆเราพูดเราเห็นปุ๊บเนี่ยมันมันหมุนซ้ายหมุนขวาฮ้ยฮะไม่เอาเห็นตอแรกสิถ้าเห็นอะไรฝั่งขวาขึ้นบนยังไงขวา ะะอะไรนะเป็นมุดมาดานะแล้แลุณใช่ ไ, ไหมตอนนี้ <c oughs> นนนมุดแค่ ไ, ไหปมนอ <c oughs> ุ่นปไปทานมันแล้วแต่ว่าสมองเราเนี่ยใช้ด้านไหนมากถ้าเราใช้ด้านขวามากขวานี่นะมันก็จะอุ่นไป ท, ทาง้า ถ้าเราใช้คำตัวใช้ภาษาใช้วิธีนี้มันก็จะมุนมันแล้วแต่เราบมันหมุนทั้งสองอย่างเลยดูทังไหนก็ไเลแบบตัวนี้มันหมุนซ้ายก็ได้หมุนขวาก็ได้แล้วแต่เราจะฟองด้วยสมองด้านไหนอะไรจริงๆกันดูสิท่านเห็นไหมมันหมุนไปทางไหนบางคนยังนึกว่ามันหมุนด้านเดียวเลยที่พูจริงมันหมุนมนหะด้วยทั้งสองอย่าง เออเราดูให้ดีๆมันหมุนอยนี้ก็มีหมุนอย่างนี้ก็มีแล้วแต่เราจะมองไปทางไหนเออมันสองมุมเราดูไอ้ที่แขมนมะันแขนกระขาเนะี่ยดูหางก็ได้ตอนนี้เราดูแขนมันก็จะหมุนไปทางพอเราไปดูหางมันก็จะหมุนอีกทางเป๊ะจุดโฟกัสอะไรเนยะแต่ทํางทั้งตอนแรกที่เราบอกเนี่ยเราเห็นด้านไหนอะีกงไหม เราหงุลับิดใช่ไหมเนี่ยมันใช้สมองสิ่งไหนอ่ะไปอันหนึ่งคนคนนี้เขาเป็นนักประสาทวิทยาชื่อจิวจิวเทเลอร์เส้นโลหิตในสมองสิ่งสายแต่ เขาเป็นทำศึกษาเรื่องสมองแต่ปรากฏเขาโชคหลายเส้นโลยิดในสมองแตกเท่ากับไข่เลยนะอยู่ในสมองเขาต้องขาดตับเขาเขียนเล่าประสบการณ์ของเขาว่าในขณะที่เส้นโรยิดในสมองแตกในเส้นเส้สายในตอนนั้นการรับรู้เปลี่ยนไปยังไงพอเขารักษาหายเขารักษาอยู่แปดปีหายตอนเส้นโรยิดในสมองเส้นสายแตกพูดไม่ได้ ตื่นเช้าขึ้นมาก็นอนเฉยพูดไม่ได้แต่รู้บ่าที่ตางออกไปก็คือในสมองนีมันเงียบไม่มีเสียงพูดเลย mm hmm. การรับรู้โดยอาศัยสีกงวาไม่มีภาษา mm hmm. ให้ดูนะเรื่องซีกษ้ายมันเป็นเรื่องของภาษาเรื่องตัวเลขพอเส้นยนสมองสีกซ้ายแตกเนี่ยพูดไม่ได้ ภาษาไม่มีไอ้ที่คุยอยู่ในหัวคุยแข่งกับเวลาอธิการบรรยายเนี่ยหายเลยนะเทียนมัน่งนู่นนี่นู่นนี่เลยนะเบรเความใจอะไรเนี่ยหายหมดเลยพวกนี้ไม่มีเลยเพราะมันคิดในซีส่สายภาษาแล้วมันเกิดอะไรขึ้นซี่ ข, ขวา ม, มันทํางานพอสี่้ายมันสี่ขวา ม, มันเทปโอเวอร์แต่ปกติชีวิตเราเนี่ยอยู่ด้วยซี่สายพอซี่ขวาเทคโอเวอร์เลยนะ มันมองอะไรเป็นภาพรวมหมดเป็นศิลปะมันจะไม่แยกไม่บอดดี้ในร่ากลายเนี่ยกับต๊ะเนี่ยมันไม่แยกกันมันขึงพืชไปหมดเลยเป็นชิ้นเดียวกันหมดตัวเขากับจักรวานนลได้รวมกันเป็นหนึ่งเพราะฉะนั้นเขานอรอความตายไม่กลัวตายเพราะเขาคิดว่าเขาเป็นอันหนึ่งในจักรวาลศิลปะ ศิลปินมันไม่ได้แยกไปมีขาไม่มีตาไม่เป็นไรมันรวมเป็นมันมองภาพรวมหมดเมื่อมองภาพรวมมันจะไม่กลัวตายนอนรอความตายโลหิตมันก็ออกแต่ช่วงขนาดเด็กมันเกิดไอ้ซีกซ้ายมันขึ้นเป็นกลัวตายมันก็กระตุ้นเลยมันนอนงี้เดืนตายนะแกแค่จะเคลื่อนไหวไปนิดนดหน่อยหมันทํายากมากในสุดแกโทรศัพท์ไปบอกคนที่ทํางานว่าตัวเองไม่สบาย เอานับัเออจำจำกดกดแป้งโทรศัพท์เนี่ยกดเลขไม่ได้เพราะว่าสี่ท้ายมันรู้มาตว ต, วตัวตัวเลของไม่รู้ว่าเลขอะไรเป็นอะไรเลยโทรไม่ได้ความจำเป็นเลขไม่ดีเพราะมันถูกทำลายแล้วแกโทรได้ไงรูกแกเอาสี่ขวาใช้เอานับัตะมาตั้งแล้วเพราตัวเลขมันเป็นภาคไงเป็นสองสาโอเคเทียบกับแป้นเนี่ย เลขหนึ่งกับเลขหนึ่งมันตร ง, งกันก็กดให้ตามนั้นโดยไม่รู้ว่าเป็นเลขอะไรศิลปะมันไม่ใช่ภาษามันเป็นภาพเพราะฉะนั้นการคิดด้วยม o d ภาพมันใช้สีขวาเขาจึงเขาจึงบอกว่าไม่มีการแบ่งแยกถ้าสี่ขวาทำงนมันจะรวมกันหมดไม่มีเขาไม่มีเราไม่มีอะไรทั้งนั้น เมื่อเขาหายใหม่และอันนี้แหละที่เขาบอกว่ามันเป็นประสบการณ์ทางศาสนาสิ่งขวาเป็นเรื่องของาศาสนาเมื่อเรานั่งกรรมฐานานี่คือการพัฒนาสิ่งขวามันจะเด็กๆเนี่ยนะเด็กๆนะมันมีความสุขเพราะอะไรเด็กๆมันไม่คิดแบ่งแยกวิเขาเป็นเราเป็นรวยเป็นจนมันรวมกันหมดเพราะฉะนั้นเ ด, เด็กจึงคบันทุกคนเนี่ย แต่พอรูพอพอเปล่าพการศึกษามันพัฒนาสี่สายมันเริ่มแยกมันมีเขามีเรามีกบมีฝ่ายมันแตกแยกแต่ถ้าเรื่องของเด็กจริงๆเนี่ยมันจะรวมกันศิลปินก็จริงจะรวมกันเนี่ยเขาจึงไว้ใจทุกคนอะไรทุกคนหมดอารมณ์ศิลปินและศาสนาก็เหมือนกันมันจะทําให้คนรวมกันได้การสอนการเรียนศาสนาสร้างความสามัคคี นักศาสนาเท่ๆเนี่ยมันเป็ฉลาดกันหรอกถ้าเขาศึกษาศาสนามันจะรวมกันเปน็นหประสบการณ์ทางศาสนาจึงเป็นประสบการณ์ mystic experience เป็นสระสบการที่เชื่อมสรรพสิทธิ์เข้าด้กับเขาจึงเขียนหนังสือสโตร์กับอินไซด์ก็ถือว่าเมื่อเขาเป็นสโตร์กเนี่ยเขาเห็นว่าคนเราต้องพัฒนาสี่ขวากากและศาสนาจะต้องไปสี่สี่ขวามันจะไม่เกิดความกังวล มันไม่มีอดีตอดีตปัจจุบันอนาคตมันอยู่ที่สิ่งสายทนไมต้องเ ป, ป็นกัวนอนาคตบอปีราฬิกา <c oughs> เออเอาให้จบก่อนไปนั่นก่อน <c oughs> เออเอเออนาคตไม่ต้องไปห่วงเอาให้จบประเด็นนี้ก่อน <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อคุณคิด แบ่งแยกไม่ได้แบแยกมาเป็นซีกสายซีกขวามันคิดรวมมันจึงไม่กังวลอดีไม่กลัวตายเพราะอดีตปัจจุบันนั่นก็มันรวมเป็นพืชเดียวกว่ามันอยู่แต่เฉพาะปัจจบุบันซีกขวามันทําได้เฉพาะปัจจบุบันขณะฉะนั้นเมื่อเราฝึกกรรมฐ า, านให้มีสติบีอิงไม่ใช่ดูอิงนี้ดูอิมันหมายถึงเปลี่ยนอดีตให้มันอนาคตปัจจบุบันดีขึ้น อนาคตถ้าทำไม่ได้จะมีปัญหาที่จะอดเทนอย่างเนี้บางคนมันจะเกิดทันทีแต่ถ้าเราอยู่กับปัจจุบันมันไม่มีอดีตไม่มีอนาคตที่นี่เดี๋ยวนี้นี่คือสตินี่คือวิปัสสนาหนังสือนี้เนี่ยเราอ่านอ่านให้จบถ้าเป็นไม่ได้อ่านให้จบแล้วก็จะรู้ว่าวิทยาศาสตร์โดยนักภาษาวิทยาเนี่ย มาช่วยยืนยันในเรื่องของการปฏิบัติธรรมโดยพัฒนาสมองและเมื่ออยู่กับปัจจุบันเราจะไม่กังวลกับอนาคตสมองนี่แหละมันเป็นตัวพัฒนาและถ้าเราบอกว่าหากไทยวัตถุคือสมองพระเจ้าไม่ได้บอกว่าเป็นที่ไหนมีแต่ที่ทำคือบอกว่าอยู่ที่หัวใจหากไทยวัตถุมันอยู่ที่สมองเราก็จะสามารถ เชื่อประสาทวิทยา n e u โร s c i ์กับเมด i t a t i o n ได้เพราะฉะนั้นเขาจึงเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาจึงทา mi เวลานักกรรมาฐานสมองส่วนไหนมันเป็นสีนมีคลื่นสมองเวลาที่จิตมันอยู่ในระดับเขาเรียกว่าเข้าสมาธิเนี่ยนี e เนี่ย relaxation มันจะมีไซเคิลคือสมองทำงานน้อยลง อย่งนั่งฟังตอนนี้มันอยู่ประมาณสิบสองถึงสามสิบไซเคิลหัวร้อนเลยนะแต่ถ้าเปน็นด้างหลังมันก็จะอยู่ประมาณนี้หรือเข้ากับฐานเนี่ยมันจะเฉยลบเฉยยองจนกระทั่งไม่ฝันเลยเนี่ยนีแต่จะมีประเภทหนึ่งที่สมองพัฒนาเต็มที่นะเป็นพวกอย่างรู้ดินฟ้ามาหาสมุทรสัพพัญญุตญานเนี่ยสามสิถึงร้อยไซเคิลเนี่ยอันนี้เขาเรียกแกมมากเราจะเห็นเนี่ย สมองอเนียนู้รูาจักเมว่าบางคนก็แกม่าระเบิดจำเพื่อนไม่ได้เลยเรียนจบแล้วเราปฏิบัติกรรมฐานก็เอาแค่อันนี้เขาถ่ายภาพสีเพื่อให้เห็นว่าตอนนั่งกรรมฐานเนี่ยสมองส่วนไหนเป็นแอคทีฟมันสงบตอนไหนอะไรยังไงมันยิ่งเสริมการปฏิบัติกรรมฐานโดย n e u r รไ i z e เอาภาพไ้ดูเินี่ถ้าถ้าสมรถะสติมันจะน้อยสีสมองที่แอคทีฟมันจะน้อยแต่ถ้าวิปัสสนาเห็นไหมสมองมันจะทำงานเยอะเพราะว่ามันจะสติมันจะตื่นตัวอันนี้ก็ทำให้วิาสายมันช่วยในการพัฒนาทายวัตถุของเราทีนีเ้เรื่องของที่ไม่ได้พูดะนะแต่ฉายหนังตัวอย่าง ทำไมจึงมีจิตใต้สํานึกเราไม่รู้ตัวเนี่ยครับตอบเพราะว่ามีการทําวิจัยโดยคนชื่อนี้คนชื่อดีเนี่ยเบนจามิลนลิเบตเนี่ยเขาทําวิจัยโดยจิตใต้สํานึกมันทํางานก่อนเรากระดิกนิ้วเนี่ยกี่วินาทีตัวผวางเนี่ยเขาเขาทดสอบในปีประมาณสามสิบปีมาแล้ว ให้คนนี้กดสวิตช์ไฟกดสวิตช์ไฟอยากกดเลยกดเลยแต่เขาแทบสมองกดกว่าคุณจะกดสวิตช์ไฟเนี่ยสมองมันสั่งมันกี่เวลาใช้เวลานานเท่าไหร่แล้วจึงกดแล้วสั่งแล้วตอนคุณกดคุณรู้ตัวว่าจะกดเนี่ยตอนไหนปรากฏว่านะเขาแบง่งวินาทีเนี่ยเป็นพันส่วนเซกันเลยนะเขาเรียกมิลลิเซกันเหมือนมิลลิเมตรเนี่ยแบง่งเมตรเป็นพันส่วน แบ่งวินาทีเป็นมิลิเซกันก็คือมิลิวินาทีนี่เป็นสัมบัญญัติในราชบัณฑิตละมิลิวินาทีคือแบ่งวินาทีเป็นพันส่วนแล้วพอเรากดสวิตช์ไฟเนี่ยสรุปตรงนี้เลยตั้งแต่สมองสั่งงานเนี่ยเขาแถบสมองสมองสั่งงานเพื่อให้กดสวิตช์ไฟเนี่ยผ่านไปสามร้อยมิลิวินาทีก็หมายว่าแบ่งวินาทีเป็นพันส่วนสามร้อยส่วนเนี่ย ของวินาทีสมองมันสั่โดยที่ผู้กดเนี่ยไม่รู้ตัวเลยแต่แสงมันขึ้นแล้วสมองสั่งแล้วทออีกสองร้อยมิลลิวินาทีเนี่ยตั้งแต่สามร้อยเนี่ยเขาไม่รู้ตัวพอจัดจักสองร้อยอีกอีกสองร้อยเพื่อเพื่อจะทําเนี่ยจากสมองไปถึงมือเนี่ยเขาจะรู้ตัวสองร้อยมิลลิวินาทีเขารู้ตัวและเขาก็กดสรุปแล้วใช้โปรเซเนี่ยใช้เวลาตั้งแต่ สมองสั่งจนกดเนี่ยห้าร้อยมิลลิวินาทีในหนึ่งพันแบ่งแบ่งแบ่งเป็น1นึ่งพันไดยห้าร้อยเท่ากับครึ่งวินาทีตั้งแต่สมองสั่งจนกดเนี่ยครึ่งวินาทีในครึ่งวินาทีเนี่ยสามร้อยมิลลิวินาทีเนี่ยไม่รู้ตัวอีกสองร้อยรู้ตัวเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะจะจ ะ, จะเดี่ยวไกลปืนยิงคนเนี่ยสมองปันสั่งมาแล้วโกรธมากๆจะยิงคนเนี่ยจะแทงกันเลย มันสั่งมาแล้วสองร้อมันมีเวลาห้ามอยู่สองร้อยมิลลิวินาทีไม่ทันกระบวนการมันเกิดเร็วมากเขาจึงอบอกว่านี่แหละทําไมจึงจะต้องมีกระบวนการในการเบรกเรียกว่าตั้งสติเพราะสติมันมีเวลาทํางานอยู่สองร้อยมิลลิวินาทีอีกสามร้อยมันมาจากผวาจิตใต้สํานึกมันสั่งให้ดา่าให้ทำโน้นทํา น, นี่เบรกไม่ทัน จานั้นในการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันจะเหมือนกับนี่นะพี่ทำเลยว้อภวังอติตาภวังภวังขจารนะภวังกุปติดเนนะเนี่ยช่วงเนี้ยมันคือสา mm, มร้อยมิลลิวินาทีต่อแต่นี้เนี่ยมันคืออีกสองร้อยเนี่ยจนกระทั่งชาวนะเนี่ยมันจนถึงชาวนะเนี่ยนะในอพี่ทำเนี่ยจากเนี้ยมาถึงชวนะคือมีเจตนามีกรรมเนี่ยและจะทําหรือไม่มันจะย้ําเนี่ย ช่วงตั้งแต่นี้เนี่ยมันสองร้อยมิลลิวินาทีตั้งแต่ภวันคุ ป, ปัต์เฉทะเนี่ยนะจนกระทั่งมาชว น, นักเนี่ยสองร้อยฉะนั้นในในการปฏิบัติธรรมจึงทำให้เราเข้าใจพุทธคน์นี้เลยะเจตนาหังพี่เวกับมบังวะถามนี่พิสุลลรันเรากล่าวเจตนาว่าเป็นกรรมกว่าเราจะลงมือทำกรรม น, นี่มันเคลื่อนไหวในสมองแล้ว แล้วเรารู้ตัวอยู่200มิลลิวินาทีจึงทํากรรมอะมะโนโกรรมก่อนแล้วจึงเป็นกายกรรมวิจีกรรมเนี่ยทำให้เราเข้าใจพุทธพรดกนี้เลยเทาไมมโนโกรรมมันก็เป็นกรรมเพราะมันสะสอยเรามีเจตนาระวัลมีความตั้งใจและส่วนเราจะออกมาทางวาจาทางกายหรือไม่สติช่วยอะไรแต่ด่าในใจไปเลยเราห้ามไม่ได้แล้วมันปุ๊บไปแล้วแต่เรายังมีก่อนที่จะมันออกมาทางกอฎเนี่ย กดนิ้วหรือแสดงอะไรก็ตามหรือทงางคำว่าจาวิเวลาเซนเซอร์เพราะฉะนั้นสรุปด้วยพุทธพจนี้กระแสทั้งหลายในโลกที่มากระตุ้นให้เราเกิดพฤติกรรมสติเป็นเครื่องกั้นกระแสเราแปาว่าสติเป็นเครื่องกั้นกระแสปิดกั้นด้วยปัญญาถ้าเรามีสติมีสัพพัญญะเราข้ามได้ เราเบี่ยงจะแสได้แทนที่จะด่าไปยิ้มไปเลยจบตรงนี้แหละ